ผมจะไปหาอะไรมาให้รองท้องผังพ า, างหลังเนินใกล้ๆนี้เองระยะตะโกนกันได้ยินผู้กุณชายพักอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเชื่อฐารพยักหน้าพรานใหญ่ก็ผาลงเนินไปทิ้งให้คณะนายจ้างของเขาอยู่กันตามลำพังทั้งสามเอ็นกายลงนอนพักเอาแรงขณะนั้นเสียงปีกกระพือตัดอากาศก็ดังวาบๆาบเข้ามาใกล้อุดใจเดียวทุกคนก็เห็นนกเงือกฝูงใหญ่ร่อนมาเกาะอยู่ที่ยอดต้นศัต บ, บัญไม่ห่างออกไปนัก พวกมันพา ก, กันจิกกินผลไม้เปลือกแข็งและส่งเสียงร้องร่านไปหมดโดยไม่ทันจะสังเกตเห็นมนุษย์เบื้องร่างดารินค่อยๆดึงตัวลุกขึ้นนั่งอย่างแผ่วเปล่าชักปืนสั้นออกจากซองแต่แล้วก็ชะงักเพราะชายหานคว้าข้อมือไว้เสียก่อนพลางกระซิบว่าอย่าน้อยถ้าเธออนุกเงือกพวกนั้นก็แปลว่าทั้งแย่สายได้เกิดเดินเหนื่อยเปล่าหญิงสาวเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่า เสียงปืนที่หล่อนยิงนกจะต้องไล่สัตว์อื่นๆในละแวกใกล้เคียงให้ตระโดดไปหมดก็ยักไหล่ ย, ยิ้มจืดจืดโทษทีลืมไปเห็นเป้ามันยั่วตาเหลือเกินแล้วก็นั่งพิจารณาดูปูงนกพวกนั้นอยู่เงียบเงียบไม่ถึงยี่สินาทีแล้วปิ่นก็เดินโผล่เข้ามาชนิดแทบจะไม่มีเสียงอันเป็นปกตินิสัยของเขาเชีย่ยวาชา ย, ยันและดาลินเพิ่งจะรู้สึกและหันมาพบก็เห็นเขาเข้ามาถึงเสียแล้วในมือหิ้วอะไรมาด้วยสองชนิด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 ไได้บึ้งกับอะไรมานะ่ะเชิถาถามยิ้มยิ้มตุนครับและผินตอบสั้นๆเอาไม้เขียบึ้งในกองไฟอยู่ไปมาพร้อมทั้งคอยพลิกไม้ที่กลางเป็นตับย่างอยู่ดาลิงชำเลืองมองนิดหนึ่งแล้วก็เมินไปอีกหล่อนเพิ่งจะมาทราบเอาจากการพูดโต้ตอบระหว่างในพรานใหญ่กับพิชัยเดี๋ยวนี้เองว่าตัวที่เหมือนแมงมุมแต่ใหญ่กว่าหลายเท่าลักษณะน่าเกลียดหน้ากลัวนั้นคือบึง้งที่หลอนเคยได้ยินแต่ชื่อ และที่เขาเสียบไม้ย่างอยู่ก็คือตัวตุนที่เคยได้ยินแต่ชื่ออีกเหมือนกันไม่เคยเห็นตัวจริงมันสักทียังกันมีมนเรียกสัตว์นั่นแหละผู้กองหายไปแป๊บเดียวหิ้วติดมือมาได้แล้วนั่นถลกหนังมาเสียดเรียบร้อยเลยเด้ชายหยานพูดมาพางหัวเราะชอบใจช่วยเขาเขี่ตัวบึ้งที่กำลังถูไฟเผาส่งกลิ่นหอมหัวเหมือนกุ้งเผาทําให้เรียบร้อยมาเสียดดีกว่าครับ พื้นที่มันมาทั้งตัวประเดี๋ยวคุณหญิงก็พิพาสสายปล่อยมันไปอีกเท่านั้นเขาพูดหน้าเฉยดาลินตวัดหางตาผ่านไปหน้าเขาเน้นเสียงหนักๆดีอย่าให้ฉันเห็นตาดํากรึบๆของมันเป็นอันขาดรับรองว่าต้องขอบินทบาดไว้แน่ว่าแต่คุณไปได้มันมาอย่างไงไม่ได้ยินเสียงปืนเลยสักเปลี่ยงเชยานหัรอดในความไม่ดีงสาของรอนคงจะมีหม่อมและช่วงหญิงดาลินวราลิศคนเดียวในโรคนี้กำมัง ที่ทำลายสถิติของนักล่าสัตว์ทั้งโลกด้วยการเอาปืนล่าตุ่นกับบึง้งทำไมหล่อนตาลุกโพรงชา ย, ยันหัวเราะงอหายหันไปพยักหน้ากับพระพินพี่ชายอดสงสารน้องสาวไม่ได้อีกก็เลยช่วยบอกมาว่าตุ่นมันเป็นสัตว์ตะกูหนูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในรูตามโพรงรากไม้เขาล่ามันโดยวิธีขุดจับมันขึ้นมาหรือไม่ก็ดักไม่ต้องใช้ปืนผ่านหน้าไม้ดอกน้อยจะไปรู้หรือคะ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 ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าตุน่นฉันไม่อยากจะโง่เง่าเต่าตุนหรอกแล้วกันไม่หิวหรอกแล้วไม่หล่อนสันหน้าจนผมกระจายยืนการคาเดิมทั้งๆที่ท้อ ง, ง, ง, งร้องสามชายในขณะนี้กำลังเคี้ยวทั้งบึ้งและตุนการปากเป็นมันอย่างน่าอริตร่อยและมองมายังหล่อนอย่างสงสารและคนขบขันชายยันจุ ป, ปากลั่นพิโตหาว่าโง่เง่าเต่าตุนของวิเศษเดชสรตรีแท้แท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 ถึงว่าอย่างนี้ไปได้ไม่กี่น้ำหรอกชา ย, ยานแย่มาอีกแล้วชูบึ้งให้หลอนดูไม่อยากกินตุน่นเพราะชื่อมันโง่จะลองบึ้งดูก็ได้นะอย่านั่งน้ำลายไหลจีแข็งอยู่เลยรถมันวิเศษกว่ากุ้งเผาเสียอีกเอาไหมดาลินเดือดดานจนหัวเราะมันก็โง่าพอๆกันนั่นแหละทั้งตุนทั้งเต่าทั้งบึ้งกิ้งกาเขียดปาดอะไรพวกนี้ถ้าจะถึงขั้นอดตายแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง แม้จะงโง่ก็ต้องยอมกินแต่นี่ฉันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกผานใหญ่กินทุกอย่างก็ไม่เห็นเขางโง่อะไรนี่ตรงข้ามจะรหัสออกจะตายไปโดยเฉพาะในเรื่องของป่าชายแยานแยงทำไมจะไม่โง่หมอมรชวงหญิงคนสวยหันมากระแทกเสียงหนักๆมองผ่านหน้าระพีนรำเมินไปซ่อนยิม้มทั้ ง, งโง่ทั้งเง่าพอๆกับเต่าวบวกกับตุ่นนั่นแหละดูได้เสียเมื่อไหร่ รัพยินภัยวันกำลังหูทวนลมไม่สนใ จ, จกับการเล่นหัวเย้าะเย่ของพวกในจ้างของเขานอกจากจะเคี้ยวอยู่ตุ้ยต้ยสำรักจนตาเละแล้วก็เลิกคิ้วยักไหลเคี้ยวต่อไปเป็นปกติโดยไม่หันไปใส่ใจกับหล่อนจริงสิเขาบอกกับตนเองอยู่ในใจรัพยินภัยวันน่ะโง่แสนโง่ทั้งโง่ทั้งเงา่าตามที่คนสวยว่าเอาไวจ้จริงๆในสิ่งต่างๆที่แล้วมา และก็จะขอโง้เขาเจียมใจเช่นนี้ตลอดไปตามฐานะของพรานนำทางผู้ซื่อสัตย์สุภาพบุรุษกับความโง่มักจะแยกกันไม่ออกหรอกบัดนี้เขาบังเกิดความกังขาคลางแคลงใจขึ้นมาหรือประมาณเสียแล้วนายจ้างสาวสวยผู้นี้พอใจในความโง่อของเขาหรือเปล่าเนอหรือว่าหล่อนต้องการให้เขาฉลาดขึ้นมาจึงใช้คาพูดเดบแหนมกระตุ้นเตือนเช่นนี้ เพียงแค่ธุรีระอองอันแสงจะเบาบางของความนึกคิดเช่นนั้นระพีนก็มีความสุขใจเงียบๆภายใต้สีหน้าอาการอันสงบเฉยส่วนเชี่ากับชายยันอ่านดารินไปอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือหล่อนพูดอะไรไม่เคยเกรงใจคนและไม่มีการสงวนถ้อยคำบ้างเลยซึ่งก็น่าจะเข้าใจเช่นนั้นเขาแต่ไหนแต่ไรราจะสะกุลสาวเป็นมาเช่นนี้ พรานนำทางเปรียบไม่ผิดอะไรกับลูกไล่ของหล่อนแล้วแสนงอนประจำคณะก็หันไปทางพี่ชายยิ้มให้พร้อมกับเอ่ยเสียงอ่อนเอาใจว่าพี่ใหญ่โตดอย่า ก, กังวลกับน้อยเลยค่ะในข้อนี้ถ้าจาเป็นจริงๆน้อยบอกแล้วว่าจะทำทุกอย่างได้เหมือนพวกเราทุกคนเพียงแต่ขอผาดที่ถึงเวลานั้นสิก่อนเถอะแต่ว่าขณะที่คนอื่นเขามีอะไรกินกันอย่างสบายนีนะ่ะ เราโมดแต่รอคอยฝากกระเพาะไว้กับเกิดได้ไงทายสิสองคนนั่นคงจะไม่ไปขุดเขียดหรือตีปาดมาให้น้อยหรอกค่ะอย่าเพิ่งหวังอะไรมากนะักผานใหญ่เอ่ยขึ้นลอยๆฉีกบึ้งใส่ปากเคี้ยวอย่างสบายใจป่าไม่ใช่สวนสัตว์และสัตว์ป่าก็ไม่ใช่เนื้อที่ใส่ตู้เย็ยนเตรียมพร้อมไว้แล้วบางขณะมันปลอดเอาจิงๆเดินเป็นวันยังไม่พบอะไรสักอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราต้องการ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 สิ่งที่ระพินเพียงแกล้งพูดดูท่าจะมีข่าวความจริงขึ้นเสียแล้วเวลาผ่านไปเกือบร่วมชั่วโมงแต่ไม่มีวิแ่แววว่าเสียงปืนจากทั้งสองจะดันขึ้นเลยแม้แต่สักนัดเดียวมันเงียบเชียบไปหมดและหลังจากนั้นอีกครู่เดียวร่างของแง่าสายกับเกิดก็ปรากฏขึ้นบนทางด่านเล็กๆ เ, เดินตรงเข้ามาสีหน้าระเหียสแสดงอาการผิดหวังเกิดโบกมือเป็นสัญญาณนิทราว่าไม่ได้ผลมาแต่ไกลแต่อย่างไรก็ตาม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 คำพูดของเขาทําให้เชื่อถากับชายันหัวเราะส่วนดารินวางสีหน้าปกติซ่อนแววฉีวไว้พูดสบัดสบัดก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยข้ารินยังดีเสี ก, กว่าตัวตุน่นตัวบึง้งไม่ต้องมาหัวรเราะเยาะหรอกเมื่อไม่ได้สัตว์อะไรฉันก็ยอมเป็นพวกมังสวิรัติกินพวกพืชแทนดีเหมือนกันแงยสายกับเกิดเดินเข้ามาถึงวางผลหมากรากไม้ที่พอจะหาติดมือมาได้ลงกับพื้นแล้วลงนั่งหน้าแห้ง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 สอบถามเกิดอยู่สองสามคำแล้วก็หันไปทางแง่ทรายผู้นั่งหน้าจืดอยู่นายหญิงฝากความหวังไว้กับแกมากแง่ทรายแกไม่ควรทําให้ในายหญิงผิดหวังคุณจะไปว่าอะไรเขาหญิงสาวหันมาออกรับแทนแง่ทรายโดยเร็วคุณก็บอกเองแล้วไม่ใช่หรือว่าป่านะบทมันจะปลอดมันก็ปลอดสิทีเดียวหาอะไรไม่ได้เลยแล้วหล่อนก็มองไปทางแง่ทรายยิ้มให้อย่าคิดอะไรให้มากเลยแง่ทราย ฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอหรอกถึงอย่างไรเธอก็อยังอุตส่ามีของที่ฉันพอกินได้มาฝากจนได้ขอบใจมากทั้งสองคนนายหญิงรักแก่มากไม่ยอมกินตุ่นกับบึง้งเฝ้ารอคอยความหวังจะแกเท่านั้นแล้วผินพูดกับหนุ่มกระเบียงร่างยักษ์ต่อไปด้วยสีหน้าเรียบเรียบแง่ท า, ายลุกขึ้นมองไปทางดาลินด้วยสายตาเคารพรักบอกเข้าห้าว่าแง่ท า, ายเสียใจที่หาอะไรให้นายหญิงไม่ได้ เปรดรอสักครู่ประเดี๋ยวแง่ท า, ายจะกลับมาว่าแล้วควรใช้ชาวโด่งก็หายเข้าป่าไปอีกครั้งอย่างรวดเร็วโดยไม่ฟังเสียงว่าดาดินจะร้องเรียกทักทัวงมาเช่นไรพอร่างของแงซ า, ายลับตาเฮือนก็หันมาทำตาขุนกับพรานใหญ่จ้องเขาด้วยความไม่พอใจฉันไม่เข้าใจเลยทำไมคุณถึงพูดอะไรเป็นการขับใส่แงซา ย, ายให้ต้องพยายามไปหาอาหารไม่แกะชั้นถ้าไม่มีชั้นก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นคุณแกล้งเขา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 หากแต่เป็นพ่อรู้เช่นเห็นเชิงเข้าใจฝีมือกันดีอยู่แล้วนั่นเองจากนั้นรัพินขอยืมปืนสร้างจุสามเห้าของรอนชวนเกิดออกไปด้อมดมมองมอ ง, มองหาข้างมาเป็นอาหารเพิ่มเติมสำหรับทุกคนนอกจากเจ้าของปืนส่วนแง่าสายก็ง่วนอยู่กับการทำนกสำหรับนายหญิงชายยันเข้ามากระซิบกับเชิดถาว่าสองเสือนี่ฝีมือกินกันไม่ออกเลยม่หนำซ้ำยังทันเหลี่ยมกันทุกฝีก้าวอย่าง ดูไม่ออกว่าใครจะเหนือกว่าใครแต่มันปีนเกี่ยวกันอยู่ในทีไงพิกลนหรือแกว่าไงฉันไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกแต่อุ่นใจอย่างแท้จริงแล้วว่ามีผ่านนําทางอย่างระพินมีคนใช้พิเศษอย่างแง่สายอย่าว่าแต่เทื่อกเขาวพระศิวะเลยต่อให้ยิ่งกว่านั้นก็ไม่วิตกแล้วได้คนคู่นี้ถึงไหนก็ถึงกันสบายใจได้หัวหน้าคณะเดินทางกับซิบตอบ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 ทุกคนพออิ่มกันไปได้เหมือนกันสำหรับมื้อนั้นชั่วโมงเศษหลังจากนั้นทั้งหมดก็ตายตามกันลงมาตามแก่งผาอันสูงชันแล้วพวบตัวเองอยู่ในบริเวณป่าโปรง่งสลับไปกับทุ่งหญ้าระบัาดของบริเวณป่าหวาอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนอยู่ในเตาอบจนเหงือเปียกชุ่มโชกตัดทุ่งผ่านดงไปอีกสองสามช่วงก็เข้าสู่บริเวณป่าแดงและที่ระหว่างหุบเขาชะ ง, งนหินอันเป็นด่านช้าง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 สารอยตามทางเกวียนอันเห็นอยู่อย่างถนัดชัดเจนเหล่านั้นไปสิ้นเป็นการสะดวกอย่างยิ่งการมาพบกับร่องรอยของกองเกวียนทําให้ทุกคนปลอบโปร่งใจขึ้นมากเพราะความหวังมองเห็นอยู่ไร่ไร้แล้วภายหลังจากบุกบอลล่านทางหลอนแลมกันมาด้วยหวนทางอันแสนจะทุกร ก, กันดารเพื่อออกก้าวสกัดและพินตั้งเข็มในการดักขบวนใหญ่ได้อย่างถูกต้องแม่นยํายิง่งเมื่อพบรอยเกวียนที่ร่วงหน้าไปก่อน นั่นก็แปลว่าหนทางเดินสะดวกไม่จำเป็นต้องบุก ป, ป่าฝ่ารกต่ยขาลงห้วยกันอีกแล้วเพราะเส้นทางเดินของกองเกวียนย่อมจะมุ่งไปตามพื้นภูมิประเทศที่คนตัวเปล่าเดินได้อย่างสบายลึกเข้าไปเป็นลําดับในป่าแดงอันกว้างใหญ่พื้นที่ราบนั้นครื่งชั่วโมงต่อมาก็เห็นดงหวายสะดับไปกระพายและกระชิดแน่นทึบขึ้นเป็นลําดับทิศทางของ ข, องขบวนสัมภาระส่วนใหญ่จะ ก, กองเกวียนเทียมควายส่วนมากอาศัยเดินไปตามด่านใหญ่ บางขณะเท่านั้นที่ถางทา ง, ทางตัดพงเศร้า ซ, าซอนเข้าไปในหมู่ไม้และป่าเถาวันพลานใหญ่สำรวจร่องรอยเหล่านั้นอย่างถีท้วนไปทุกระยะในที่สุดชั่วโมงเต็มๆก็ผ่านไปอีกไม่มีสิ่งใดผิดปกติสำหรับรอยเหล่านั้นไม่มีรอยหยุดพักวางแคมป์คงรุดหน้านำเลี่ยวไปเรื่อยเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเอไม่มีท่าทีว่าพวกนั้นจะหยุดพักกันเลยนี่คงจะไม่รอเราเสียแล้วกันัง ดารินร้องออกมายังอ่อนใจชักจะท้อแท้หล่อนอ่อนเปี้ยและละโหยเต็มทีใจอยากจะให้ถึงกระบวนเกยนใหญ่เสียโดยเร็วเพื่อพกักพรแต่แล้วจากร่องรอยที่เห็นมันทำให้ท่าทางบอกให้หล่อนรู้สึกตัวว่ามีหวังต้องเดินการเป็นวันๆต่อไปอีกขณะนั้นต่างหยุดพักดื่มน้ำอยู่ที่ซุ้มไผ่กอใหญ่จอมพานควักบุหรี่ออกมามวลแจกใจให้เชิฐาและชายยานและจุดสูบใบไม้รอบด้านนบะบัดนี้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 ก็แสดงว่าความหวังของเรายังมีอยู่ในการที่จะพบข้างหน้าใกล้ๆนี้เขา อ, อาจกำลงังรอคอยเราอยู่คณะนายจ้างพากันขมวดคิ้วงงไปชั่วขณะแล้วก็นึกออกตามเหตุผลของเขาเออจริงสินะเหตุผลของคุณดีแต่อธิบายฟังยากพี่ลึกเชื่อถาว่าพร้อมกับหัวเราะห่างจากนี่ไประยะทางเดินอีกประมาณชั่วโมงครึ่งมีหนองน้าเล็กๆอยู่แห่งหนึ่งระหว่างช่องเขา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 เพราว่าขณะนั้นเองเสียงแหลมชนิดหนึ่งก็ดังแววออกมาจากกอไผ่หนาทึบที่สกัดทิศทางอยู่เบื้องหน้ามันเป็นเสียงคล้ายๆเสียงร้องกระต้าของไก่ป่าตัวเมียแล้วพิณหยุดชะงักลงอีกครั้งจ้องอย่างระแวดระวังไปเบื้องหน้าเกิดกับแง่สายอยู่เดินรั้งท้ายขบวนก็ขยับขึ้นไปยืนรวมกลุ่มกับพรานใหญ่ซุบซิบอะไรกันเบาๆ เ, เสียงไก่ป่านี่นะทําไมจะยิงเหรอเสียเวลาหนะ้ารีบเดินกันดีกว่า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 แล้วเงียบหายโดงตามเดิมได้ยินแต่เสียงลมพัดก่อผายเสียสีกันออดแอดรับพินหันกลับมาทางคณะนายจ้างกระซิบถ้าจะไม่ได้การแล้วครับเปลี่ยนทิศทางอ้อมหน่อยดีกว่าทำไมไอเสียงที่ร้องเหมือนไก่มันไม่ใช่ไก่เสียแล้วหรอครับจงอางเสียงรับพินกระซิบมาเบาๆที่สุดแล้วทำสั ญ, ญญาณให้ทุกคนก้าวถอย้นปากด่านออกไปอย่างเบากลิบ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 เสียงดังมาจากกอไผ่ดิมดานที่เราจะผ่านไปนั่นเองหลบซิดีกว่าเชีย่ยวถาควักผ้ากหนูออกมาซับเหงือ่อตายังจับจ้องไปยังปากด่านนั้นอย่างระแวงพร้อมกับถอนใจลึกคราะดีอะไรอย่างนี้ที่มันร้องให้เสียงเตือนให้พวกเรารู้ตัวเสียก่อนถ้ามันเงียบปรับปรับเราเดินเข้าไปใกล้ก็ยิง่งยุ่งกันใหญ่เตือนลูกซองเราก็ไม่มีมากันเลยสักกระบอกเดียวผมเองก็เพิ่งจะได้ยินเสียงของมันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนึกว่าไก่ป่าเหมือนกัน ดีไม่ดีกำลังเฝ้าไข่อยู่ก็ไม่รู้ไม่มีใครเอ่ยคำใดอีกนอกจากจะเดินตามรพินแยกจากรอยเกวียนอ้อมพบพงไปทางซ้ายมืออย่างเงียบกริบคณะในจ้างทั้งสามเริ่มนึกถึงคำพูดของพรานใหญ่ที่เคยบอกไว้ขึ้นมาได้นั่นก็คือเมื่อเข้าเขตป่าไวเป็นแดนของจงอางซึ่งมีอยู่ชุกชุมที่สุดโดยไม่จำเป็นจะต้องเตือนอีกเลยต่างเต็มไปด้วยความระมัดระวังทุกฝีก้าว สอดสายสายตาสำรวจไปยังซุ้มและพงรกรอบด้านดาลินเวียงจุดสขึ้นสะพายไร่ดึงปืนสั้นขึ้นมาถือไว้ชั่วคราวในปูมิประเทศอันเป็นป่ารกระยะกระชั้นคิดและมหาภัยที่อาจพูดพลาดออกมาอย่างจู่โจมกระทันหันเช่นนี้รอนมั่นใจในฝีมือปืนสั้นซึงสั่งได้ของร่อนมากกว่าไรเฟิลที่เก่งกางและไม่เหมาะสาหรับเป้าหมายขนาดเล็กเดินย่องหายใจไม่ทั่วท้องกันไปสักพักใหญ่ ตาก็พอจะรู้สึกโปร่งใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อพรานใหญ่นำมาบรรจบกับรอยเกวียนอีกครั้งและคณเเนระยะทางได้ว่าห่างจากเสียงงูที่ได้ยินนั้นมาไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรทางเกวียนนำเลี้ยวรถซ่อซ้ซอนเข้าไปในสองฟากอันแน่นทึบไปด้วยดงหวายแล้วก็ทะลุสู่ทุ่งแคบๆตอนหนึ่งจากนั้นก็เข้าป่าผายที่สลับไปกับหวายอีกครั้งท่านใดนั้นดมพัดวูบมาจากทางทิศเบื้องหน้า จมูกของทุกคนสัมผัสกับกลิ่นเหม็นหน่าของซากสัตว์โชยกลุ่นมาเกิดพยายามเชิดจมูกส่ายร่อนหาทิศทางที่แน่นอนของกลิ่นนั้นเสือนแง่าสายกม้กมๆเงยๆสำรวจอยู่ตามพื้นอิดใ จ, จเดียวก็ก้มลงเก็บสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากกอหญ้าระพินก้าวพวดเข้ามาถึงตัวคนใช้ชาวโดงไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นเพียงแต่ส่งสิ่งที่ถือนั้นให้เชิดาและชายยันก้าวตามเขามาอะไร พานใหญ่ก็ยังไม่เอ่ยเช่นไรเหมือนกันเดาะสิ่งที่ถืออยู่ในมือและยกขึ้นชูให้คณะในจ้างของเขาเห็นถนัดมันคือปลอกกระสุนปืนลูกซองนัดหนึ่งมีรอยยิงมาประมาณสองสาวันแล้วเชื่อถารับไปตรวจพิจารณาดูแลส่งต่อให้ชายยันขณะเดียวกันแง่ทรายกับพระพินก็หาได้จากพงรกข้างเคียงอีกสามปลอกพวกเราแน่ชายยันร้องออกมาเบาๆแล้วเม้มลิมฝี ป, ปาก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 และทันทีที่ทั้งหมดโผล่ออกมาพบนั้นยิเห็นแผงขนาดใหญ่สองตัวพลักจอดซาอย่างตกใจเพ่นหายเข้าริมทางไปต่างครู ก, กันเข้าไปโดยเร็วด้วยความพิศวง์ทายสิ่งใดไม่ถูกควายปา่าด่ารินร้องร่านออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นส่วนเขาวและศีรษะของมันดูยังไงเห็นควายเทียมเกวียนของเราเป็นควายป่าไปเสียแล้วแล้วผิวผู้ท่นวนๆหน่าเครียดกว่าสายตาไปรอบๆคําพูดของเขาทําให้คณะนายจ้างตะลึง รอบด้านข้างๆซ า, า, าควายนั้นมีรอยหยุดพักปวดเกรียนรอยเท้าอันเยียบย่ำอยู่สับสนและปลอกกระกสุนปืนลูกสองหล่นอยู่เกลื่อนกาดร่วมสินัดความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะมันเป็นช่วงระยะแห่งการพยายามดาวเหตุการณ์ของทุกคนเกิดอะไรขึ้นนี่ในที่สุดชายยันระเบิดพร่องออกมาซาควายตัวนั้นตายมาแล้วประมาณสมวันกําลังส่งกลิ่นอย่างรุนแรง ส่วนต่างๆของมันถูกสัตว์หลายชนิดมารุมกินแหว่งหายไปเกือบครึ่งตัวยากยิ่งที่จะพิสูจน์ออกมาได้ถึงสาเหตุการตายของมันพวกนั้นคงไม่ยิงควายเทียมเกวียนเพื่อเป็นอาหารแน่รแเพียวผู้ท่วนๆพร้อมกับยักษไหล่แค่นยิม้มตาคมกริบกาดไปรอบๆขณะที่เกิดเหตุพวกเขาเดินผ่านทางนี้มาในเวลากลางวันต่อผู้ปืนเหล่านั้นแสดงว่ามีการระดมยิงกันขึ้นขนานใหญ่แล้วควายตัวนี้ก็ตาย พวกนันไม่ได้หยุดพักที่นี่เพียงแต่หยุดเปิดซ่าควายที่ตายออกทิ้งไว้แล้วเดินทางต่อไปเรามาช่วยกันคิดสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนกระจายกันออกตรวจหาร่องรอยในเวรใกล้เคียงรอบด้านแต่ก็ไม่พบวี่แววอะไรทั้งสิน้นรอยเสือขนาดเล็กอีเห็นและเม่นที่ย่าหยุกเกลื่อนใกล้ซ่าควายก็ล้วนเป็นรอยใหม่ซึ่งย่องมากินซ่าเป็นอาหารภายหลังจากที่ควายตัวนี้ตายแล้วทั้งสิน้น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 ชูหัวอันแผ่พังพ่านร่อนราสูงเหนือพื้นดินราวร่วมสองเมตรพุ่งปาดกวดได้มาอย่างกระชั้นชิดเสียงผู้ไม้เล็กๆที่มันเลื้อยผ่านพะทะเข้ามาลู่ละเนนราวกับถูกพายุพัดเกรดเป็นมันระยับต้องแสงแดดที่สองรอดซุ้มผ่าลงมาลายของมันไม่ผิดอะไรกับลูกหวายเสี้ยวของลมหายใจช่วงนั้นทุกคนมีความรู้สึกตรงกันหมดคือเหมือนภาพฝันร้ายที่กําลังไปเชิญอยู่กับมจุราชโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว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 ในมือของเขาจึงมีโอกาสระเบิดขึ้นแล้วก็ติดตามด้วยเชิดาผู้มีสติอันมั่นคงผลการยิงทั้งสองนัดของเขากับเชิดาจะเป็นอย่างไรก็ยากที่จะเดาถูกมันหมวนตัวอีกครั้งคราวนี้หัวเรียดลงต่ำพื้นเปลี่ยนทิศทางจากการกวดตามเกิดพุ่งไปทางหม่อมรละชงหญิงดาลินวราลิผู้บดนี้ยังยืนตะลึงอยู่กลางด่านหลบเร็วและผินกับเชาิาตะโกนออกไปสุดเสียงพร้อมกัน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 มลิตะอยู่ลายลูกไายเลื้อยพวดพลาดพงไม้ลู่ระเนร์เหากับใครเอาเชือดยักษ์มาแกว่งเสียงขูฟ่ฟาฟูเหลากับจะสะกดเลืยดในกายของทุกคนให้จับเป็นก้อนฝังกงเขี้ยวฉับเข้ามาที่โคนยางพลาดช่วงไหลของดาลินไปยังบุตรวิดนักมานุษยวิทยาคนสวยผ่หันหลังอีกครั้งวิ่งกระเจิงเข้าไปหาชายยานผู้ประทับปืนเร่ล่าเล็งศูนย์อยู่อย่างจับเป้าหมายไม่ถนัดอย่างไรก็ตามเขาเหนี่ยวไกในทันที เมื่อเห็นมันตวัดหัวขึ้นเป็นครั้งที่สกระสุนจากไรเฟิลแฝดขนาดหนัพกพุ่งเข้าปะทะกลางท้องของมันระดับต่ำกว่าก้านคอประมาณศอกเศษอย่างถนัดทนีก่อนที่มันจะชูคอขึ้นได้ถนัดไอมหาวายร้ายผู้เกลี้วกลด่ดอาฆาตแค้นมนุษย์กระเด็นเหมือนถูกกระทุ่งด้วยซ่อนทุ่งใหญ่คอนหางอันยาวเหยียดม้วนเป็นเกลียวฟาดฟัดอยู่ไปมาจังหวะ น, นี้เองไรเฟิลจากมุมต่างๆก็แผลดกำปนาดขึ้นประสานเสียงกัน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 ผมกำลังเดินเข้าไปที่ดงหวายนั่นเกิดรายงานปากคอสั่นหน้าเสือสองนิ้วโอโ้โหมันหัวพวดเดียวสูงเกินหัวผมนักสองวานึกว่าตายแล้วมันไปยังไงมายัางไงกันนี่ชัยยานครางแฮ่แผแทบจะไม่มีเสียงส่วนดารินพูดอะไรไม่ออกตัวสั่นเทาเป็นลูกนกแล้วผีนค่อยๆเข้าไปพิจารณารำตัวอันอวบใหญ่ยาวเหยียดของมันอย่างถีท่ทวนแล้วชี้ให้ดูบาดแผลอันเกิดจากลูกปลายของกระสุนลูกซอง ซึ่งฝังพลุนอยู่กลางตัวของมันพรางหันมาทางเชี่ยวาพอจะนึกออกหรือยังครับว่าอะไรเป็นอะไรเชี่ยวากัดริมสีปากแน่นนิ่งอึงอยู่เป็นเวลานานไอ้มหาการนี่เองที่ประจันหน้ากับกองเกวียนของเราที่นี่ล่อควายเทียมเกวียนของเราตัวนี้ล้มไปพวกนั้นคงช่วยกันระดมยิงกันเป็นการใหญ่มันเพียงแค่เจ็บเท่านั้นแล้วหนีรอดไปได้แต่ไม่ไปไหน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 เมื่อกี้นี้ผมนึกว่าไม่เกิดก็น้อยคงจะเส็จไปแล้วใจหายใจคว่ำไปหมดถ้าไม่ได้นัดนั้นของคุณชัยยันก็ยังทายอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับอย่างน้อยไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งต้องเสร็จแน่มันอถูกระหุจู่โจมหรือเกินสามสีนัดที่พวกเรายิงออกไปครั้งแรกไม่ถูกมาเลยมีของคุณหญิงถูกนัดเดียวเท่านั้นแต่ไปถูกอาด้านปลายหางพรานใหญ่บอกแม้เคยชินต่อเหตุการณ์และเยือกเย็นมั่นคงเช่นไร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 ถ้านัดนั้นไม่ถูกทั้งน้อยและฉันก็เสร็จไปพอๆ้อมกันมันกําลังกวดไล่หลังน้อยห่างแค่วาเดียวน้อยก็วิ่งมาทางฉันด้วยฉันไม่รู้เลยซ้ําว่าฉันวิ่งไปทางไหนดาลินพูดเสียงสั่นแล้วหันไปทางรถปีนสายหน้าช้าๆตาบุญคําของคุณําพิษเสียแล้วยิงมันเจ็บไว้แล้วก็ล่วงหน้าไปก่อนพวกเราไม่ทันรู้ตัวเดินกระเดาะกระล่าตามรอยมาก็เลยเจอเข้าแบบนี้ดีที่ไม่มีใครตาย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 พอมันพรวดเข้าเล่นงานกัดควายล้มแล้วพวกนั้นระดมยิงมันก็เพ่นหนีเข้ารกหายไปตามเสือหรือช้างเจ็บหน้าพอทำานาแต่ตามงูจงอางเจ็บคงไม่มีพรานคนไหนในโลกกล้าตามหรอกว่าแต่มันเป็นตัวเดียวกับที่ร้องกับตาอยู่ตรงปากนานที่เราเลี่ยงผ่านมาตะกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ชยันเอ่ยขึ้นคงจะคนละตัวกันครับแลพินบอกแงาายทำจมูกเชิด เมือนจะสูดกลิ่นอะไรสักอย่างแยกจากกลิ่นเน่าของซ่าควายที่ตลอบอบอวลอยู่ในขณะนี้แล้วก็ออกเดินแยกกลุ่มตรงไปยังกอหวายที่เกิดเผชิญหน้ามันเข้าครั้งแรกอ้อมหายดับเข้าไปทางด้านหลังอึดใจเดียวก็โผล่กออกมาโบกมือเรียกผ่านใหญ่แ ล, ล้วปีนสาวเท้าตรงเข้าไปโดยเร็วทุกคนก็ตามเขาไปด้วยติดๆดพออ้อมพงหวายตอนนั้นไปทางด้านหลังทุกคนก็แทะผงาดคลางออกมาเป็นเสียงเดียวกันที่พงรกตอนนั้น ซาฟของพยาอสารพิษร้ายอีกตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเดียวกันกันกบตัวที่เพิ่งจะสิน้นฤิ์ประยกยกรูปร่างลักษณะราวกับฝาแฝดนอนตายขึ้นอืดอยู่ที่นั่นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไม่ผิดอะไรกับซาฟควายจากส่วนหัวไปจนกระทั่งเกือบจดหางเป็นรอยพุนไปด้วยกระสุนลูกปลายบริเวณรอบด้านเป็นรอยเท้าคนรายรอยเหยียบย่าอยู่สับสนรวมทั้งก้นบุหรี่ไปตองแห้ง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 มันกำลังทั้งเจ็บทั้งแค้นคอยปียบาิอยู่ไม่มีปัญหาหรอกครับคงเป็นอย่างที่คุณชายเข้าใจทุกอย่างการใหญ่ก้มศีรษะรับแล้วหันมาทางเกิดแกเดินเข้ามาที่พงวายตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นไอตัวนั้นชูหัวรากขึ้นมาครับเกิดบอกไอ่อยแล้วก็ต่อมาว่าผมได้กลิ่นเหม็นเน่าอีกชนิดหนึ่งลมโชยมาจากทางนี้ไม่ใช่จากซากควายก็เลยตามกลิ่นมา พอดีไอ้ตัวนั้นมันพรวดเข้าเล่นงานสีก่อนที่จะทันเห็นซาของพวกมันอีกตัวความตกใจทำให้ผมลืมเสียอย่างสนิทว่าก่อนเกิดเหตุผมตามกลิ่นเน่าเข้ามาแงซ า, ายคงได้ ก, กลิ่นเหมือนผมถึงตามเข้ามาดูอีกครั้งแล้วก็พบไอ้ตัวนี้โล่งอกไปทีถ้า ง, งาั้นชายยันถอนใจเฮือกยิ้มออกมาได้ผมยังนั่งเป็นทุกข์อยู่นีว่าถ้าคู่ของมันอีกตัวดักเล่นงานในพิตาใดาพิบตาหนึ่งต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้น รู้แน่ว่ามันตายหมดทั้งสองตัวแล้วอย่างนี้ก็พอสบายใจได้บ้างผมก็กําลังห่วงอย่างคุณช ย, ยานอยู่เหมือนกันพรานใหญ่หัวเราะเบาๆบรรยากาศอันเคร่งเครียดไปด้วยความหวาดระแวงค่อยผ่อนคลายลงถ้างั้นก็แปลว่าบุญคํากับพวกนั้นไม่เลวจนเกินไปนักสีหน้าของหัวหน้าคณะเดินทางดีขึ้นอย่างน้อยพวกเขาก็ยังซัดมันอยู่หมัดไป ต, ตัวหนึ่งอีกตัวคงจะยิงถูกไม่ถนัดและมันรู้แล้วหลบเสียก่อน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 ถ้าจะไม่เหมาะนะผู้กองการตามไอ้แหวงของเราจะมีอุปสรรคก็ตอนนี้เองชายันพูดขึ้นอย่างขแยงเรื่องชุมนะเป็นชุมแน่ๆครับไม่มีปัญหาแต่ตัวใหญ่ๆอย่างสองตัวนี้ตามปกติแล้วก็มีไม่มากนกครอกนานาจะได้เห็นสักทีไอ้ตัวใหญ่ๆถ้าเห็นคนหรือสัตว์มันมักจะเข้าโจมตีทุกครั้งไปแต่สำหรับตัวย่อมๆถ้าไม่จวนตัวกับทหารจริงๆแล้วมันก็เหมือนงูธรรมดา น, นั่นแหละ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 ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณชายครับสำหรับฝ่ายของผมไม่มีปัญหาอะไรเอาราลรีไปต่อเถอะผมแน่ใจเหมือนกันว่าเราควรพบขบวนเกวียนก่อนข้าผ่านจากโดงหวายตอนนั้นก็ออกสู่ทุ่งสลับไปกับป่ารวกโปร่งลอยเกวียนนำรุดหน้าไปเรื่อยๆมองเห็นทิวเขาสูงต่ำเป็นกระแพงล้อมอยู่รอบด้านทั้งหมดเร่งฝีเท้าทำเวลากันอย่างเต็มที่อีกสองชั่วโมงเต็มๆผ่านอีกลายทุ่งหลายโดง ตะวันต่ำลงเต็มที่ในที่สุดทางเกวียนก็นําขึ้นสู่ป่าโคกที่เบียดเสียดนั่นทึบไปด้วยยูงยางและเต่งรังพานใหญ่บอกให้คณะนายจ้างทราบว่าเหลือระยะทางเดินเพียงอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะถึงหนองน้ำตำแหน่งซึ่งคาดหมายว่าควรจะได้พบกองเกวียนพักอยู่ที่นั่นอิดโรยอ่อนร้ากันอย่างเต็มที่ขณะที่หนทางเริ่มต่ายขึ้นเนินสองฝากทางเป็นโขดหินน้อยใหญ่พื้อนอุดมไปด้วยกวดรูกรัง การเดินช้าลงเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินเดิมจะสะบัดเป๋โซเซหลายครั้งที่ต้องเกาะบ่าพี่ชายพยุงกายไว้หล่อนมองเห็นป่ารอบ ด, ด้านเหลืองอลามไปหมดแต่กัดฟันเดินต่อไปโดยไม่ยอมปริตากครั้นแล้วทุกคนก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวอีกครั้งลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าจนหมดสิน้นกลายมาเป็นความตกใจตื่นเต้นที่อุบัติขึ้นอย่างฉับพลันกะทันหัน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 และเสียงพยาคจัดศารยังคงสะเทือนป่าทั้งป่าอยู่เช่นนั้นอย่างดุเดือดและรุนแรงทวีขึ้นทุกขณะดูเหมือนจะมีเสียงคนร้องเอะอะโวยวายแว่วฝะปนมาด้วยสัรระสัมเนียงอึงอ่นเหล่านั้นเป็นไปอย่างวุ่นวายสับสนเหลือที่จะกล่าวไอแหว่งแน่ปะทา ก, กับพวกเราเข้าแล้วข้างหน้านี้เองระพินร้องร่นออกมาสลัดลายเฟื่องกู่มือออกจากไกลอีกครั้งทุกคนก็แผ่นพวดเข้าหาที่กำบัง อันเป็นเวลาเดียวกับผูเขาหลายลูกกลิ่งตะลุยพงไม้เบื้องหน้าในระยะใกล้สวนตรงเข้ามาเสียงแปลแปลนเสียงกิ่งไม้หักเสียงฟีเท้าหนักๆย่ำแผ่นดินสะเทือนประหนึ่งว่าโลกซีกนั้นกำลังจะพังทลายลงมันเป็นความสับสนจ้าระวันที่แต่ละชีวิตฝากไว้กับโชคชะตาของตนเองไม่มีสิ่งใดมาเป็นหลักประกันให้ได้นอกจากไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือและสติสัมปชัญญะเท่านั้น ดารินวิ่งแตกฝูงพงเขายึดโขนไม้ใหญ่ขนาดห้าคนโอบเบื้องหน้าและนั่นหมายถึงว่ารอนเป็นคนเดียวในคณะที่จะต้องเป็นด่านแรกประจันหน้ากับโขงช้างที่บุกตรุยเข้ามาราวกับพายุบุกแคมเพิงโดดเดียวเชีฐากับเกิดกระโจรเขาหลบหลังโคดหินลูกเดียวกันแย่ไปทางซ้ายมือของแนวทางด่านส่วนชายยันก็ตะกายไปยังจอมปลวกโดยมีแง่ทายพวดพลาดตามติดเข้าไปด้วยและพีนไพรวันเป็นเพียงคนเดียว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 นางแม่ประหลัดตัวเท่าบ้านเป็นตัวแรกที่วิ่งนำฝูงชุดนั้นตะบึงเข้ามาพร้อมกับชูงวงและร้องกึกกล้องไปหนึ่งจัดทำสำทับขวัญโดยมีสีดอย3ามสตัววิ่งรี่ตามเข้ามาติดๆมันเห็นหม่อมราชวงหญิงคนสวยเป็นจุดหมายทำลายล้างที่ใกล้ที่สุดแปลนเข้ามาท่ามกลางความใจหายใจคว้าของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่เบื้องหลังจุดสดับเบิลไดเฟนในมือของหญิงสาวกอปนาตกบเสียงร้องของมันเป็นนัดแรกเหมือนกัน หลนยิงในระยะห่างเพียงสิบวาเท่านั้นใบไม้และซุ้มถาวนที่อยู่ใกล้เคียงกับด้านหน้าของปากกระบอกเบนกระจายฟุ้งด้วยอนุภาพแรงอัดไม่มีปัญหาเลยสำหรับเป้าหมายอันเป็นศรีษะใหญ่โตโมโหฬารขนาดตุ่มสามโคกนางพังผู้กระหายเลือดซุดข่าวหน้าลงในปริปตาโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่คำเดียวในขณะที่สีดอสามตัวผู้เหยาวตามหลังเบนหัวเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหัน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 ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ใครต่อใครร้ายคนระเบทปืนในมือขึ้นสนันวันไหวจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็สุนนัดนั้นของเขาจับเข้าระดับตะโพกหลังและหักขาหลังข้างหนึ่งของมันให้กลายเป็นง่อยไปในทันทีไอยักษ์งากุดร้องเสียงแหลมยาวหมุนคว้างเสียการทรงตัววินาทีวิกฤตของดารินจึงคลี่คลายออกไปได้อย่างหุดหวิด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 เลือดทนักปีออกมาจากซ่อขาหน้าและก้านคอยืนพิงโคนต้นยางใหญ่ที่มันบุกเข้าหมายขยี้ดารินขาดใจตายคาค้างอยู่เช่นนั้นโดยไม่ยอมล้มเชิดาพวดเข้าถึงตัวน้องสาวหิ้วแขนกระชากลุกขึ้นแต่แล้วก็แทบเข่าอ่อนห่างจากเขาแงส่ายได้ดารินผู้พากันยืนหมุนมะว้าพะวังหาที่หลบอยู่ออกไปพงเจ็ดปป่าแตกรูปเป็นทางเข้ามาอีกมันกระชั้นชิดเสียจนเกินกว่าที่จะหลบทัน ชายันกับเกิดโกรธตามหลังเข้ามาประทับปืนขึ้นแต่แล้วก็ต้องแตกกระจายเพ่นหลบกันไปคนละทางก่อนที่จะเหนียวไกได้เพราะวิกิจการที่เข้ามาถึงตนเองเสียก่อนโดยไอ้งางงามอีกตัวหนึ่งซึ่งตะลุยเข้ามาทางเบื้องหลังชายันสะดุดถาวันล้มปืนหลุดห่างมือออกไปช้างตัวนั้นก็ปีเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วเสียงจุดสห้าแปดระเบิดติดตามมาทางเบื้องหลังจากระพิน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 หลบงาของมันออกไปทางด้านซ้ายตามบุญตามกรรมปลายงาข้างหนึ่งเฉียดสีข้างไปอย่างบุบวิดเพียงกระเบียดเดียวปักส่วนลงไปในดินแล้วมันก็หมอบงาที่ดินแน่นิ่งอยู่ในลักษณะนั้นอย่างสิน้นฤทธิ์ชัยยันตะกายเขาช่วยปืนเพนลุกขึ้นอย่างแทบไม่รู้ทิศทางยิงช่วยชายยันนัดนั้นไว้แล้วโดยไม่รอดูผลจอมพรานกระชากลูกเรืออย่างรวดเร็วส่งกระสุนนัดใหม่เขารังเพลิงและเปลี่ยนเป้าหมายไปยังอีกตัวหนึ่ง ที่กำลังไล่กวดกลุ่มเชิฐาและดาดินอย่างจวนเจียนอยู่ในขณะนี้เหนี่ยวกยายออกไปติดต่อการห่างจากนัดแรกเพียงชั่วพริบตาเดียวโดวยเล็งไปที่กระดูกสันหลังมันประกาศสิทธ์พอๆกับนัดแรกเคลมเดียวเขจะสารร้ายบริเวณของไอแหว่งร่มตึงทั้งทังที่มันกําลังวิ่งกวดอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายจากนั้นก็ถึงข่าวที่ตัวเขาเองจะต้องโกยแนบอย่างไม่คิดชีวิตบ้างเพราะเสียงป่าแตกเคย ม, มาทางด้านหลัง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 รักษณะของร่อนดูเหมือนจะข้อเท้าแพรไม่อาจเคลื่อนไหวได้ถนัดชายยันยึดที่กำบังโขดหินโดยไม่ขยับขยื่นไปไหนเช่นกันนอกจากเหลียวซ้ายแหรขวาเพื่อค้นหาเป้าหมายในการพิฆาตต่อไปส่วนรบพินกับเกิดร้องตะโกนบอกกันลั่นวิ่งกระเจิงกันออกสกัดทิศทางโขงช้างเหล่านั้นไว้และยิงอย่างดุเดือดชนิดที่ไม่ยอมที่จะให้ตัวไหนหรุดรอดเงื้อ ม, มือไปได้เท่าที่จะมองเห็น เกิดห่อไปทางตีนเนินที่เดินผ่านกันขึ้นมาแล้วส่วนรพินวิ่งอ้อมขึ้นเนินชันอย่างรวดเร็วครั้นแล้วในพิพตา น, นั่นเองพรานใหญ่ก็ประจันน้ากับไอ้มหาวายร้ายอย่างจังงาสีเหลืองจัดข้างหนึ่งทอดยาลงมาเกือบจะลงดินอีกข้างหนึ่งกุดสั้นโผพ้นป่าเพียงคืบเดียวหูข้างหนึ่งแหว่งขาดเป็นริ้วผิวกายสีโคลนหมัดมโผพ่พรวดออกมาจากดงร่วกอันหนาทึสบสลับซับซ้อน ทันทีที่ภูเขาลูกนั้นออกมาพ้นกอรวก่วงมองเห็นได้อย่างถนัดตลอดทั้งตัวก็ดูเป็นหนึ่งว่าโลกรอบด้านจะถูกบทบังให้มืดมิดด้วยราหูสีดอและพังขนาดใหญ่อีกสีตัวขนาบรอบรอบหน้าหลังแต่ช้างบริวารเหล่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับจ่าโขง ข, งของมันแล้วกลายเป็นตัวเล็กไปหมดดูคล้ายๆ ค, ควายเท่านั้นจะมีสติมั่นคงอาหาสักเพียงใดก็ตามบัดนี้รพินภัยวันมีความรู้สึกเย็นว่า ตั้งแต่เส้นผมลงไปจนกระทั่งจรดปลายเท้ามันเองก็พงะังไปเช่นกันและช่วระยะเวลาที่มแมลงเล็กๆสักตัวหนึ่งกระพือปีกนี้พยาคจัสารร้ายเดนหัวอันเป็นจังหวะเดียวกับที่รพินพุ่งสายตาให้เข้ากับศูนย์ปืนไม่รกโกรกันอะไรเช่นนั้นใบไม้เจ้ากำใบหนึ่งพามาบาังศูนย์หลังเข้าพอดีเขาเบี่ยงไรเฟินออกให้พ้นจากใบไม้ที่บังอยู่ นางพังในขบวนนั้นก็พุ่งแผลนเข้ามาราวกับจะมีเจตนาสระชีพเพื่อป้องกันจากโขงของมันไว้และในระยะจูนตัวเช่นนี้เขาไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากหยุดยั้งมฤตยูเฉพาะหน้าอนองค์กนตูมเป้าหมายแทนที่จะเป็นไอแหวงกลับเป็นตัวเมียรูปโขงผู้กล้าหานและเสียสนะตัวนั้นมันร้องกล้องไปทั้งป่าอย่างน่าเวทนาแล้วก็คู้เข่าหมอบซุดอย่างราบคาบ ในขณะที่ไอ้แวร้ายพิยาของมันแหกป่าแตกอู้เห็นแต่บ้านท้ายโทงโทงไปเบื้องหน้าราวกับรมสนาตันโดยมีลูกโขงทหารเอกคู่ใจบังแซงอยู่เบื้องหลังแล้วพินร้องลั่นออกมาอย่างเดือดดานสลัดเปล่กทิ้งผักลูกเลื่อนเข้าที่แล้วเริงอีกครั้งอย่างปราณีตที่สุดทันทีที่เห็นบ้านท้ายของมันทันหนัดเข า, าก็กดศูนลงแตะกับโคนหาแล้วกระดิกไกเชะ นั่นคืออวาสานของลิทเดท7458แมกนัม um กระบอกนั้นกระสุนนัดสุดท้ายของแม็กกาซีนชุดนั้นและก็เป็นนัด ส, สุดท้ายที่เขาเหลือติดตัวอยู่ในขณะ น, นี้ได้ฝังอยู่ในกระโหลของนางพางเสียแล้วและบัดนี้ไอแหว่งจอมหาการรับตาไปเสียแล้วอย่างไม่มีอะไรจะน่าเสียดายเท่าพรานใหญ่ยืนสะบดพ ร, รมสาดแช่งต่อเหตุการณ์อยู่เป็นเวลาอึดใจใหญ่จนกระทั่งได้ยินเสียงกูรียกจากเชิฐา จึงไต่เนินกับลงมาสมทบกับทุกคนซึ่งขณะนี้รวมกลุ่มกันอยู่ภายหลังที่เหตุการณ์ประจันทร์บานแบบตรุมบอลได้ผ่านพ้นไปแล้วเสียงกิ่งไม้หักครืนโคลงดังห่างไกลออกไปเป็นลําดับและเสียงปืนจากพวกกองเกวียนที่ได้ยินสนั่นมาจากขบเบื้องร่างก็สุดสิ้นลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝันร้ายที่อุบัติขึ้นภายในพิปตาจะเหลือหลักฐานอยู่บ้างก็คือซากขนาดมหึมาของบริวารไอแหวนเจ็ดปดตัว ที่ร่มอยู่กราดเกลื่อนตามบริเวณต่างๆโดยรอบร่องรอยของกิ่งไม้และซุ้มไม้ที่หักยับแผลเป็นทางและความเหน็ดเหนื่อยตื่นเต้นของทุกคนในคณะพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับเรียบร้อยดีหรือเปล่าเขาถามขึ้นหอบๆกว่าสายตาสำรวจดูทุกคนแล้วมาจับนิ่งอยู่ที่ดารินผู้ขณะนี้นั่งราบกับพื้นเอามือกลุ้มข้อเท้าอยู่ใบหน้างาเป็นดิ้วรอยไปด้วยกิ่งไม้ได้หนามควรขมุกขมอมเหงื่อและฝุ่น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 ผมจำเป็นต้องยิงตัวนั้นก่อนด้วยกระสุนนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่พอนางพังตัวนั้นลม้มไอแหวนกับพวกที่เหลือก็เบนหัวเปิดแนบอึดใจใหญ่ๆทีเดียวที่มันเป็นเป้าหมายให้ยิงได้อย่างถนัดทนันีแต่กระสุนเจ้า ก, กรรมแล้วเขาก็มีท่าเหมือนจะอยากจะคว้างไหล่เฟ้นกระบอกนั้นลงกับพื้นอย่างเดือดดานใจทุกคนอุทานพึมออกมาจากลําคอเป็นเสียงเดียวกันทําไมมันไม่ได้กวดเข้ามาได้งานคุณในขณะที่คุณกระสุนหมดทําอะไรมันไม่ได้อย่างนั้น ดารินถามเดวปือนั่นนะสิครับผมก็นึกภาวนาในขณะนั้นอยากจะให้มันบุกใกล้ผมก็ามาผมจะได้หนีมาทางพวกเราที่ยังพอมีกระสุนเหลืออยู่บ้างและนั่นก็แปลว่ามันต้องเสร็จแน่แต่มันฉลาดเหลือเกินพรหนีป่าล่าไปโดยมีตัวเมียมาบังหน้าตายแทนให้สิด้วยโชคของมันยังดีปล่อยมันไปก่อนเชษฐาขบกลามพูดัหนักนลงได้จังหน้ากันแบบนี้แล้วคงตามไม่ยากหรอก ผมเองก็เหลือลูกปืนอยู่อีกเพียงนัดเดียวเท่านั้นน้อยกับชา ย, ยันก็มีกันอยู่เพียงคนละ ส, สองนัดเกิดก็หมดเกลี้ยงแงซ า, ายเหลือมากกว่าทุกคนก็แค่สามนัดดีแล้วที่มันแตกหนีไปเสียก่อนถ้ามันยังรวมหัวบุคลเข้ามาอีกพวกเรามีหวังตายหมดเจอกันครั้งนี้ดุเดือด ด, ดีแท้ก่อนอื่นเรารีบไปที่กองเกวียนของเราเถอะพวกที่แคมป์ใหญ่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างมันบุกมาทางพวกนั้นก่อนแล้วก็หันมาทางน้องสาว น้อยยังพอเดินไหวไหมดารินพยักหน้าพูดอย่างเด็ดเดี่ยวไหวค่ะพี่ใหญ่ทั้งหมดออกเดินอย่างเร่งรีบสถานการณ์ถึงเลือดถึงชีวิตในการตะรุมบอลกับกองทัพของไอแวงผ่านพ้นไปแล้วแต่จิตใจของทุกคนในขณะนี้เต็มไปด้วยความกวนกะวายเป็นห่วงพวกที่แคมป์ใหญ่จนไม่อาจกล่าวถูกไม่มีใครกล้าคาดคะเนอะไรได้ทั้งสิ้นดารินเองในขณะนี้ก็ลืมความเจ็บปวดจะข้อเท้าแผลเสหมดสิ้น หล่อนใช้ผ่านท้ายได้เฟื่อยันพื้นแทนไม้เท้าเดินขยกขยีกตไปโดยมีพี่ชายได้เงยสายคอยช่วยประคองอีกสองแรงบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดต่ขึ้นเนินเตี้ยๆตามด่านช้างนั้นต่างก็แว่วเสียงคนพูดกันเอะอะวุ่นวายไปหมดได้ยินอย่างถนัดพอขึ้นสุดยอดเนินภาพเบื้องล่างก็ปรากฏชัดกับสายตาในแสงสลัวของยามเย็นห่างลงไปเพียงไม่เกินห้าสิบเมตร ริหนองน้ำแคบๆในระหว่างซอกเขาคือภาพของความชุลมุนวุ่นวายสับสนอนร้อนเหลือที่จะกล่าวพวกลูกหาบวิ่งกันควักควายอยู่ที่นั่งชนิดไม่รู้ว่าใครเป็นใครพร้อมกับเสียงตะโกนผู้จ่าสั่งงานกันเอะอะเกวียนสายคาดพลิกคว่าแหลกยับเยินอยู่กับพื้นสัประสิ่งของกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกาดตางพักถล่มลงมากองอยู่กับพื้นเห็นผผาดในขณะนี้ประหนึ่งว่าจะถูกบรรดาลขึ้นด้วยอำนาจมหาวาตะ สลับไปกับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือภูเขาสีดําหลายลูกที่กองอยู่เป็นหย่อมๆบ้างอยู่ในลักษณะหมอบคู้บางก็กลิ้งตะแคงไม่ต่ํากว่าเจ็ดปดลูกด้วยกันเฉพาะที่เห็นคาอยู่รอบบริเวณที่โล่งซากโคจฉาสานทั้งนั้นใครสามคนในจํานวนนั้นพากันวิ่งสวนเข้ามาโดยเร็วอย่างกระหืดกระหอบพอใกล้เข้ามาก็เห็นได้ว่าเป็นบุญคําจันและเสยพรานของระพินนายไอแวงบุกแคมเรา ทั้งสามร้องตะโกนรายงานมาระล่ำระลักแทบจะฟังไม่เป็นภาษาพยานหลักฐานเท่าที่มองเห็นบัดผ่ า, ผ า, ผาอยู่ในขณะนี้ก็ประจากชัดอยู่แล้วรพินภัยวันยืนอึ้งคอแข็งไปชั่วขณะโดยยังไม่สามารถจะเอ่ยคำใดออกมาได้ปล่อยหน้าที่ซักถามไม่เป็นของคณะนายจ้างซึ่งไล่เลียงเอากับพวกผ่านพื้นเมืองของเขาทั้งสามคนชนิดฟังแทบจะไม่ได้สับแล้วฝ่ายที่เพิ่งจะติดตามมาสมทบกับกอ ง, กองเกวียนทัน ก็พากันยืนตะลึงไปอีกครั้งเมื่อมองเห็นศพอันแหลกเหลวแทบไม่มีชิ้นดีของลูกหาบเคราะร้าย ส, สามคนซึ่งกองอยู่รอบๆ บ, บริเวณใกล้กับซากช้างบางศพกลายเป็นก้อนเนื้อกลมๆคลุกลอยู่กับฝุน่นแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นอะไรและบางศพศีรษะแขนขาขาดกระเด็นหลุดออกจากร่างกายอย่างน่าสยดสยองพวกลูกหาบทั้งหมดเข้ามายืนรวมกลุ่มชิงกันรายงานถึงนาทีวิกฤต ที่ได้ไปเชิญพบเห็นมากับตาตนเองให้พ่านใหญ่และคนะนายจ้างทราบมันเต็มไปด้วยความสับสนตื่นตนกเหลือที่จะกล่าวบรรยากาศกลุ่นกลิ่นอายของความมึนงงตื่นเต้นอันแทบจะเชื่อสายตาเสียไม่ได้พวกเราทั้งหมดตายกี่คนเชื่อถามถามแผลบแบบสามครับเหตุการณ์มันสับสนโอลหมานไปหมดตอนที่มันบุกเข้ามาพร้อมกันทุกด้านเรายิงกันไม่ทัน ขณะนั้นตัวใครตัวมันไอพวกที่ตายเคราะหน้าจริงๆคงจะหลบไม่ทันนายเมยหัวหน้าลูกหาบเต่าปากคอสันพวกลูกหาบกําลังตกอยู่ในขวัญเสียอย่างยิ่งจะเป็นการบังเอิญหรืออะไรก็ตามทีขณะที่ทุกคนกําลังยืนโปร่งสงเวออยู่ที่ศพของลูกหาบสายตาของพรานใหญ่แหล่ไปศบตาของแง่ทรายผู้ทอดมองมาก่อนแล้วเงียบๆต่างจ้องกันนิ่งอยู่เช่นนั้น ไม่มีความรู้สึกใดๆที่ระพินสามารถจะค้นพบได้จากแววตาของหนุ่มชาวดงพเนจรนอกจากจะบอกได้ว่ามันเต็มไปด้วยความชาเฉยได้ลึกลับอยู่เหมือนเดิมแน่ละเขายังจำได้ถึงคำพูดของแง่สายในข้อที่ว่าความพิหน้าของชีวิตในคณะพักจะต้องเกิดขึ้นในการติดตามล่าไอแวงโดยอ้างว่าเป็นคาทานายของพระธุดงในความฝันบัดนี้ มันก็ดูเหมือนจะปรากฏผลสมจริงขึ้นมาแล้วจากคำบอกเล่ารายงานพอจะตะมวลได้ว่ากองเกวียนภายใต้การนำของบุญคำพรานอาวุโสได้มาตั้งแคมหยุดรอคณะนายจ้างและพรานใหญ่อยู่ตำแหน่งนี้เป็นเวลาสี่คืนแล้วนาเย็นอันเกิดเหตุร้ายนี้เป็นขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมหงหาอาหารเป็นปกติโดยไม่เฉียวคิดเลยว่าภายัยใดๆจะย่างกลายเข้ามา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 เปียนสาเล่มถูกเหยียบพังไม่มีชิ้นดีฮีพอสัมภาระส่วนหนึ่งแตกหักเสียหายยับเยินส่วนมากเป็นพวกเสบียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆที่ดาดินเป็นคนขนมาอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและเจ้าตัวคนขนมาเองก็แทบเป็นลมเมื่อค้นพบว่าพิมพ์ดีดกระเป๋าฮีที่รอนเอาติดตัวมาด้วยเพื่อทาวิทยานิพนธ์กล้องถ่ายรูปและเครื่องเล่นจานเสียงสเตอริโอ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 ตื่สะบัดเชื่อขาดวิ่งกระเจิงหายกระเป่าไปแล้วผินสั่งให้จัดการขุดหลุมฝังศพพวกลูกหาบเคราะร้ายในทันทีนั้นแล้วให้เสยกับจันทร์และลูกหาบอีกจํานวนหนึ่งไปจัดการตามกวายที่สะบัดเชื่อขาดกลับคืนมาขณะนี้คณะนายจ้างของเขากําลังสํารวจสิ่งของที่ถูกทําลายเสียหายเสียงชายานสะบดสาบแช่งลั่นส่วนดารินนั่งคุกเข่าอยู่ที่เศษโครงของพญาลอซึ่งจันทร์เป็นคนทําให้ ซ่าของสัตว์ประเภทไก่ฟ้าตัวที่ร่อนรักและใส่อยู่ในกรงอันนั้นบัดนี้แหลกติดดินคงเหลือแต่เศษขนงามไว้ให้เห็นเท่านั้นมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสัตว์ตัวได้เคลกแสนสวยที่อยู่ในกรงนีหร่อนครางออกมาเสียงเกลือเม้มริมฝีปากแน่นจ้องดูซ่าปยายรอตัวนั้นอย่างสะเวชใจทันทีนั้นก็ได้ยินเสียงห้าวๆดังขึ้นใกล้ๆว่าชีวิตลูกหาบของดาสามคน มีค่าหน้าพุโทโธมากกว่าชีวิตเล็กๆของพยารลตัวนั้นดารินเหลือบขึ้นสบตาร้วินด้วยประกายวาวหัวรับผ้าอยู่ในลําคออ๋ อ, อใช่สิคนของเรานั้ไม่ต้องพูดถึงละแต่นี่ฉันกําลังปลงสงเวเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในกรงนี้มันไม่มีพิษสง์อะไรเลยถูกขังกรงด้วยพวกมันก็ยังกระทือนเสีย บ, บี้แบรนพวกเราทุกคนได้รับความสะเทือนใจกันทั้งนั้นคุณไม่น่าจะมาแขลหาเรื่องอะไรฉันอีก คุณนั่นแหละเป็นพรานใหญ่ออกเก่งกาดทำไมถึงปล่อยให้มันมีชีวิตร้ายเลวอยู่มาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันในข้อนี้พรานใหญ่พึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองตาตั้งคู่หลี่ซึมรงขณะนั้นชายยานผู้กำลังตรวจของอยู่กับเชฐิฐาก็ฮิ้วเสกเครื่องพิมพ์ดีและกล้องถ่ายรูปของดารินขึ้นชูโคขงหัวจุ๊บปากเบาๆน้อยปนปี้หมดแล้วเครื่องพิมพ์ดีสเตอรีโอ ก, กล้องถ่ายรูปจเปเหราจิ ป, ปาถะของเธอ หม่อมราชวงศ์คนเสือยิ้มฝุดฟัดบอกมายัางคมคืนว่าช่างมันเถรชา ย, ยานต่อไปนี้เลิกเขียนเลิกฟังเพลงเลิกถ่ายรูปกันเสียทีฉันเพิ่งจะมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่าสิ่งที่ฉันบ้าโขออกมาเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างดีเหมือนกันที่พวกมันช่วยกันกระทืบทําลายเสียให้รู้แรรู้รอดไปแววตาห ม, มุ่นหมุนคู่นั้นเปลี่ยนมาทางพรานใหญ่เอ่ยต่อมาเสียงต่ําๆว่าหน้าหัวเราะนะ ที่ฉันไม่เชื่อคุณแต่แรกอุสาหอบพี่เอาของพวกนั้นมาให้หนักระพินยักไรตรงข้ามเดี๋ยวนี้ผมกับคิดว่ามันมีประโยชน์มากที่สุดมีประโยชน์หล่อนทวนคำหางเสียงพิสงใช่ในข้อที่ว่าช่วยบรรจุหีบพอสัมภาระทั้งหมดให้ดูมากมายเกะ ก, กะขึ้นเพื่อลวงให้พวกไอ้แหวงเข้าใจว่าเป็นของมีค่าสาคัญของพวกเราช่วยกันเหยียบขยี้ทาลายเสีย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 ว่าแต่นอกจากสามคนที่ตายแล้วมีใครบาดเจ็บเป็นอันตรายอีกบ้างไหมนอกจากคนที่ตายนอกนั้นปลอดภัยทุกคนครับพวกที่ตายคงจะโจนตัวรลบไม่ทันเห็นบุญคําบอกว่าขณะนั้นมันสับสนโอลหมาดไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยป่าทั้งป่ามืดไปด้วยโขลงช้างนับไม่ท่วนที่บุกพร้อมกันเข้ามาทุกด้านไรเฟิลที่ใช้ยิงประทานในครั้งนี้ก็มีเพียงแค่สามกระบอกจากบุญคําเสยและจันทร์ นอกนั้นถูกบรรจุลงหีบไม่ได้นำออกมาใช้ประโยชน์เลยเพราะไม่รู้ตัวกันมาก่อนลูกหาบใช้ปืนลูกซองและปืนแก๊สที่มีติดตัวอยู่ยิงไปตามเรื่องส่วนมากก็หนีขึ้นต้นไม้กว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มและพินมีเรื่องเคร่งเครียดที่จะต้องหาดรอ ย, อยู่กับพรานพื้นเมืองของเขาและหัวหน้าลูกหาดรวมทั้งจัดการดูแลเพื่อความปลอดภัยของบริเวณแคมป์ทั้งหมด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 จากจำนวนเต็มสิหคนถ้าไม่นับไอกุดกับไอ้ผีขโมดสี่ศพเป็นของไอ้แหว่งชายยันเอ่ยขึ้นขึ้มขณะที่เงยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึกส่วนตัวเกวียนอีกสามคันควายอีกหนึ่งตัวโดยไม่นับความเสียหายจากเข้าของอื่นๆดาหลินเสิมาอย่างเพลียๆหล่อนอิดโรยบอบช้ํากว่าทุกคนมีหน้ำสาอย่างข้อเท้าแปลงแต่ความตะหดบึกเบนยังไม่ได้เสื่อมถอยลงแม้แต่น้อย ขณะนี้หญิงสาวนั่งอนุมันนวดกข่เท้าของตนเองอยู่ที่เตียงสนามและประครบด้วยไอ้น้ำร้อนที่แง่าสายยกหม้อเข้ามาให้มันทำให้ฉันไปคิดถึงคำพูดของแง่าสายมันเป็นความจริงอย่างที่แง่าสายพูดไว้ไม่มีผิดนั่นก็คือเราจะต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปอีกในการติดตามไอ้แหว่งเธอคิดว่าเราควรยุติการตามไอแ้แหวงลงเพียงแค่นี้หรือชยันถามมา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 เทือเขาพระศิวะเราไม่สมควรจะไปถึงถ้าเราข้ามศพแหวงไม่ได้รปินเข้ามาในกระโจมพักนช่้างพร้อมกับพรานของเขาทั้งสี่คนและนายเมยหัวหน้าลูกหาบเชื่อถาบอกให้ทุกคนนั่งลงโต๊ะกลางและให้แง่สายจัดการนำเหล้ามาเลี้ยงโอกาสนี้เองหัวหน้าคณะเดินทางจึงสอบถามเหตุการณ์โดยละเอียดอีกครั้งจากคนเหล่านั้นเพราะก่อนหน้าเวลานี้ยังไม่อาจซักถามอะไรกันได้มากนะัก บุญคำเริ่มต้นเล่าให้ฟังตั้งแต่คณะ น, า, นายจ้างและผานใหญ่แยกทางออกติดตามร่องรอยของไอแง้แหวนกองเกวียน่ายใต้การนำควบคุมของเขาโดยมีจันและเสรเป็นผู้ช่วยได้ออกเดินไปตามเส้นทางที่ผานใหญ่กำหนดไว้ให้ตามปกติโดยไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติใดๆขึ้นเลยไม่พบแม้แต่ร่องรอยของไอแง้แหวนแผ่วผ่านมาให้เห็นพอย่างเข้าวันที่สมหลังจากแยกกันขบวนเกวียนทั้งหมดก็เหยียบเข้าสู่ป่าวาย ซึ่งเขาคิดว่าภายในคืนที่สามหรืออย่างช้าก็ในวันรุ่งขึ้นคณะของเชีถาจะต้องตามมาทันขณะที่เข้าเขตป่าวายนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายเศษเศษเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกองเกวียนทั้งหมดเผชิญหน้ากับงูจงอางใหญ่คู่หนึ่งสกัดดักหน้าในระหว่างผ่านดงทุกตอนหนึ่งพวกเขากับลูกขาบช่วยกันระดมยิงเพราะมันมีที่ท่าอันไม่ชอบก้นัก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 ตัวที่พวกผมยิงเจ็บเอาไว้เมื่อบ่ายนี้ขณะที่เดินตามหลังกองเกวียนมานั่นแหละไอ้งูจงอางเวียนจนนั้นแหละทำเอาพวกเราหกคนที่เดินตามหลังมาแทบย่ําแย่เพราะบุญขายิงมันไว้ให้เจ็ดดาดินร้องบอกมาจากเตียงสนามที่หลอนเอ็นกายครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่เชิงต่อว่าบุญขายิ้มแห้งๆบนอะไรพามอยู่ในลาคอเชษฐาก็เตือนในผ่านอาวุโสของรพินเล่าเหตุการณ์ต่อไป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 ผมก็จะย้อนออกตามเองโดยให้เสกับจันคุมเกียนทั้งหมดอยู่ที่นี่ก่อนบุญคามเล่าถึงความรู้สึกข้อตัดสินใจของตนก่อนจะวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองก็ได้มาถึงยามเย็นมหาวินาศดังเช่นที่ปรากฏมาแล้วโดยไม่มีวี่แววใดๆมาก่อนทั้งสิ้นทุกคนกำลังพักผ่อนหุงหาหาบุญคามเตรียมตัวแล้วสาหรับจะเดินย้อนกลับมาค้นหาติดตามคณะทั้งหดในวันรุ่งขึ้นคันแล้วทันทีนั่นเอง กเกลียงลูกหาบคนหนึ่งที่ออกไปตัดหวายในระแวกใกล้เคียงกับค่ายพักก็วิง่งกระเจอร์ตะเจอรกลับเข้ามาพร้อมกับร้องตะโกนสุดเสียงว่าช้างบุกยังไม่ทันจะขาดคํายังไม่ทันจะเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นป่ารอบด้านก็สะเทือนเรื่อง ด, ด้านไปด้วยเสียงกิ่งไม้หักและเสียงช้างร้องซึ่งยามนั้นสำเนียงของมันดังปานว่าโรคจะถล่มทลายร่างมหึมาใหญ่โตหรือจะครนานับหักป่าประดังฮือกันเข้ามาพร้อมหมดทุกทิศทาง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 คงจะเป็นพวกของระพินและเชษฐาซึ่งติดตามมาและสวนหน้ากับช้างโขลงนั้นเข้าพอดีนั่นเองจากการบอกเล่าของบุญคำเหตุการณ์ก็ประติดประต่อสืบเนื่องกันได้พอดีกับสิ่งที่คณะของเชษฐาได้ไปจันมากับตนเองตรงกันทั้งเวลาและพฤติการความเงียบปกคลุมในวงประชุมนั้นไปชั่วขณะเชษฐาจุดกล้องอย่าเส้นสุบช้าๆมองผ่านทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นไปสบตาระพินแล้วเอ่ยขึ้นแผวต่ําว่า ปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ที่เราควรจะคิดกันก็คือไอ้แหว่งมีลูกโขงในควบคุมของมันสักกี่ตัวกันแน่พ่านใหญ่เม้มริมฝีปากหลีตาลงสีหน้าเต็มไปด้วยความหนักใจผมก็กำลังคิดอย่างคุณชายอยู่เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องลึกลับจำได้ไหมเราประท่ากับมันครั้งแรกฆ่าพวกมันไปได้ตั้งเจ็ดแดตัวเมื่อเย็นอีกแตัวบุญคากับผู้ที่แคมป์นี่ยิงคว่ำไปอีกสบสองตัว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 ทำไมครั้งแรกเราเห็นโคลงของมันมีอยู่เพียงส0กว่าตัวเท่านั้นมันไปเอาพลพักคมาจากไหนถึงมากมายก่ายกองถึงเพียงนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันในข้อนี้ระพีนตอบแผ่วเบาอัดควันบุรีรึกจันก็พูดมาเสียงแหบๆว่าไอ้แหว่งเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งหลายเป็นใหญ่อยู่เหนือโคลงช้างทั้งปวงในป่าทั้งหมดนี้เมื่อมันหมายจะทาลายศัตรูที่มีกาลังอย่างพวกเรา มันก็ไปเกณฑ์ช้างโของอื่นๆเข้ามารวมกันเป็นกองทัพนี่เราไม่ได้ตามหน้าสัตว์ดีรัชานเสียแล้วหรอมั้งเชษฐาร้องร่นขึ้นนี่มันเป็นสงครามอันน่ากลัวระหว่างคู่สงครามสองฝ่ายที่มันสมองและแผนการทับเทียมกันเสียแล้วหรื อ, อยังไงผู้กองระหว่างที่พรานใหญ่เงียบขึ้นไปด้วยอาการไข้ครวนหนะักเชษฐาก็หัวเราะขึ้นเบาๆในลําคอถึงอย่างไรดีรัชานมันก็ต้องเป็นดิรัชานอยู่นั่นแหละ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 และได้ใช้ปืนลูกซองบรรจุลูกปลายยิงเข้าใส่มันหลายนัดเห็นเลือดสาดไปถึงแม้อานุภาพของลูกซองจะไม่ทําอันตรายมันถึงชีวิตแต่อย่างน้อยมันก็เจ็บแล้วพรานใหญ่บอกหัวหน้าลูกหาบก็รับรองมาอย่างแข็งขันและเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่พวกเขายิงไอ้แหวงด้วยปืนลูกซองให้คณะนายจ้างฟังอย่างละเอียดสําหรับบุญคําเสยและจันท์นั้นรับว่าระหว่างชุนรมุลอยู่นั้นไม่มีโอกาสเห็นตัวไอ้แหว่งเลยนอกจากช้างบริวารอื่นๆ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 เราจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกเมียหรือพ่อแม่ของเขาอีกรายละหนึ่งหมื่นบาทโดยผมจะสั่งความไปถึงคุณอัมพลภายหลังจากถึงหล่มช้างแล้วให้เขารับเป็นธุระจัดการจ่ายเงินชดเชยนี้ให้พวกเขาเอาคำสั่งของผมไปถึงคุณอัมพลและให้ญาติผู้ตายไปรับเงินได้รพินเรียกนายเมย์เข้ามาอธิบายทราบตามคำสั่งของหัวหน้าคณะภายหลังจากเข้าใจตลอดหัวหน้ารูหาบก็ยกมือขึ้นไหวท่วมหัวสีหน้าแจ่มใสสดชื่นขึ้น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 คงจะ อ, อยู่เฉพาะบุญคามพรานอาวุโสของเขาเท่านั้นเพื่อร่วมหาหลือวางแผนติดตามไอ้แหว่งกับคณะนายจ้างทั้งสามต่อไปยิ่งรวมรันกับมันนานไปเราก็เห็นชัดขึ้นทุกขณะว่าช้างตัวนี้มีอะไรพิเศษเหนือกว่าช้างธรรมดามากไม่ว่าจะความฉลาดเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบและความพยาบาทจองเวรของมันเชฐากล่าวขึ้นด้วยเสียงเครียดไม่น่าจะเป็นไปได้เลย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 ลักษณะแปลกประหลาดเชน่นนี้ผมก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเหมือนกันอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเช่นที่ผมได้บอกแล้วคือไอ้แหวงล้มตัวเดียวตัวอื่นๆต่อให้มีมากมายสักแค่ไหนก็ไม่มีความหมายคุณวางแผนยังไงต่อไปชยันถามรพินนิ่งไปครู่ล้วงแผนที่ซึ่งเขาทำไว้ข้าวๆ เ, เกี่ยบกับภูมิประเทศในแถบป่าหวายออกมาคลี่พิจารณาแล้วเหนืยขึ้นมองดูหน้าคณะนายจ้างทีละคน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 พวกคุณชายพักผ่อนกันให้เต็มที่ภายหลังจากมองดูหน้ากันเองอยู่ครู่เชีฐากับชายยันก็ก้มศีระลงอย่างเห็นด้วยดีเหมือนกันพวกผมจะพักกันสักวันเราไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรนักเพราะถึงอย่างไรระหว่างเรากับไอแ้แหวนก็เป็นศึกติดพันยืดเยื้อเสร็จแล้วเอาให้แน่ๆดีกว่ายอมรับว่าเจ็ดเป็นวันที่ผ่านมานี้พวกเราแย่กันเต็มที่คอปืนก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วได้พักสักหน่อยก็ดีเชี่ฐาว่า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 ไรเฟิลของเราทุกกระบอกตั้งแต่ขนาดจุดสองขึ้นไปควรจะให้มันถูกใช้เป็นประโยชน์ครบถ้วนทุกกระบอกดีกว่าจะให้มันถูกเก็บไว้เฉยเฉยสถานการณ์คับขันเข้ามาเต็มที่แล้วถึงแม้บางกระบอกมันจะเล็กไปหน่อยก็ยังดีกว่าลูกซองในกรณีที่เราทําสงครามกับโขงไอแหว่งถูกของชายยานกับพี่ใหญ่ดาลินสนับสนุนมาโดยเร็วเมื่อเย็นนี้ตอนไอแหว่งบุกแคมมีไรเฟิลเพียง3กระบอกเท่านั้นที่ยิงปะทะนอกนั้นเป็นลูกซอง ถ้าพวกลูกหาของเรามีไรเฟิลติดมืออยู่พวกมันจะตายมากกว่านี้ไอ้แหวงเองก็อาจเสร็จไปแล้วเชี่ยวาประงขหัวอย่างเห็นชอบด้วยแล้วหันมาทางระพินตกลงแจกไรเฟ้นที่เหลือทั้งหมดให้แกลูกหาของเราประจำมือเถอะระพินจะได้ผลหรือไม่แค่นไหนมันก็ต้องดีกว่าลูกซองแน่ๆจัดการเสียเดือนนี้แหละถ้าหากไม่ครบคนใครที่ยังถือลูกซองอยู่ก็แจกลูกโดดให้เรามีลูกโดดมาด้วยหลายกล่องเหมือนกันพลานใหญ่รังเลอยู่ชั่วครู่ แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจเป็นแบบตตามคำสั่งของนายจ้างเมื่อเชษฐาพยักหน้าเตือนมาอีกครั้งตรงเข้าไปสำรวจดูไรเฟิลที่เหลือพบว่ามีจุด3006อยู่2กระบอกจุด330สา์เอเธบีแมกนม1กระบอก3030แบบคารเวียง1กระบอกและจุด270เนย์วินเชสเตอร์แมกนมอีกระบอก1รวมเป็น5กระบอกไม่นับปืนลูกกลดซึ่งไม่มีความหมายสำหรับสัตว์ขนาดช้าง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 ใช่ยันหัวเราะคุณเป็นคนรักและถนอมปืนเหลือเกินนะผู้กองแต่พวกเราใครจะใช้จุดส0 0กระบอกนั้นล่ะแต่และคนก็ล้วนใช้ปืนขนาดใหญ่แล้วทั้งนั้นอย่ามัวถนอมมันอยู่เลยนาะถึงข่าวจะเป็นแล้วลูกหาบหรือพรานของคุณคนไหนก็ให้ไปเถอะจะได้ช่วยกันได้เต็มมือหน่อยรับินสันศรีรษะไม่เห็นด้วยแล้วมองไปทางดารินผมว่าคุณหญิงเปลี่ยนจาก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 ถูกของละพินเอาลิกบี้ให้บุญคำไปซิเถิน้อยไรเฟิลของเราจะได้ใช้งานได้ครบทุกกระบอกเอทบีกระบอกนั้นพวกลูกหาบคงจะใช้ไม่ถนัดหรอกดีไม่ดีทําศูนย์กล้องพังเสียเปล่าเชื่อถาบอกมาอีกคนหนึ่งแทนคําตอบหม่อมราชวงหญิงคนสวยคว้าจุด4 70ของหล่อนโยนไปให้พรานใหญ่พร้อมกับกล่องกระสุนแล้วรับเอาจุดสามศูนย์ศแกนมกระบอกนั้นมาจากเขาทดลองกระชากลูกเลื่อนสองสาครั้งพางยกขึ้นสองดูศูนย์กล้อง ไม่รู้ศูนย์ที่ยงดีหรือเปล่าหล่อนเอ่ยขึ้น ล, ยลอยๆป่าดำกำลังปืนออกไปทางประตูกระจอมเลนไปยังกองไฟที่สุมอยู่เบื้องนอกแสงจากกองไฟแม้อยู่เพียงนิดเดียวก็สามารถรวมเข้ามาปรากฏอยู่ในเลนของศูนย์อย่างแจ่มชัดชายยานผู้เป็นเจ้า ข, ของก็บอกมาว่ารับรองฉันทดสอบไว้เที่ยงดีแล้วตอนที่ยิงวัวแดงเธอก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือระยะกเกือบแ800ดร้อยร่ส่งข้อที่หมายเล็กๆได้ราวกับจับวาง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 ซึ่งในเรื่องนี้ผมเชื่อมือเต็มที่ไม่มีอะไรกังวลเลยรพินพูดดาดินรถปืนลงจ้องหน้าเขาอย่ามาไซโคผู้ชาย อ, อกสามสาวทุกคนเอาเปรียบชั้นทั้งนั้นแต่ละคนมีปืนขนาดหนักอำนาจหยุดยั้งแบบประการศรี์เพื่อหวังในความปลอดภัยของตนเองในขณะที่มันชาร์จเข้ามาโดยบังครั้งที่ฉันลบกับมันด้วยปืนขนาดปติวเหลวกะบอกนี้ปืนเบายิงสบายก็จริงแต่ตัวคนยิงเองอาจแบนเป็นกล้วยปิ้งเข้าใจชื่อกันหลอกนะ แต่เอาเถอะฉันยอมเสียรู้ประเดี๋ยวจะหาว่าอวดดีอีกทั้งหมดหัวเราะในคำพูดของหล่อนแล้วเปนส่งจุด458แมกนัมแอฟริกันซึ่งเชื่อถามอบให้เป็นอาวุธกู้มือของเขาในระหว่างการโรมรันกับโครงไอ้แว่งไปให้หญิงสาวถ้างั้นคุณหญิงแรกกับผมก็ได้ครับผมเอาจุด300กระบอกนั่นเองหรือจะแรกกับจุด60ศนไนโตรกระบอกนี้ก็ยังไหวเอาล่ะชา ย, ยานเสนอหน้ามาอีกคนยิ้ม ราชะสกะุลสาวอันเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะนิ่งเฉยไม่เอ่ยคาใดอีกหล่อนแกล้งพูดรวนไปงั้นเองใจจริงกําลังขยา่ายปืนขนาดใหญ่เต็มที่จะทมัดทมแงและแข็งแรงเช่นไรก็ตามทีกําลังกายของหล่อนสู้กันไม่ไหวกับแรงสะท้อนถอยหลังของปืนขนาดหนักเหล่านั้นไหล่ของหล่อนช้าระบนไปหมดแล้วสาเหตุที่ข้อเท้าแผลงเสียหลักล้มลงก็เป็นเพราะล่านกายจุด4 70ในขณะที่วิ่งนั่นเองนัดสองนัดจังพอฝืน ยิงติดต่อกันไปนานๆหล่อนมีความรู้สึกเหมือนกําลังจะฆ่าตัวเองและนักยิงปืนผู้ชํานาญอย่างร่อนก็ย่อมจตะหนักได้เป็นอย่างดีว่าปืนใหญ่แต่คนยิงไม่สามารถจะควบคุมวิถีของมันได้ย่อมอํานวยผลสู้ปืนขนาดเล็กแต่คนยิงเลือกยิงสั่งตามชอบใจไม่ได้ขนาดจุดหกนในโต้ที่ยิงไปแล้วถูกเพียงขาช้างแล้วตัวร่อนเองก็ต้องกระเด็นถอยหลังไปสิบกมันจะยังประโยชน์อันใดขึ้นมา จุดสมนย์ศแมกนัมเป็นไลอออนขนาดใหญ่ที่สุดและเหมาะที่สุดสําหรับน้อยแล้วในการที่จะยิงมันได้อย่างสบายและรักษาความแม่นยําเอาไว้ได้อัตราความเร็วและแรงประทะขนาดนั้นประกอบกับความแม่นยําที่จะควบคุมไว้ได้สําหรับช้างแล้วก็เรียกว่าอุ่นใจได้พี่คิดว่าน้อยจะทะําสถิติในการฆ่ามันได้ดีเสียกว่าจุดสี่ที่เคยใช้เสียอีกยิ่งกว่า น, นั้นน้อยยังมีพานคอยคุ้มกันอยู่แล้วไม่มีอะไรเสี่ยงมากไปกว่าเท่าที่เสี่ยงมาแล้วเลย พี่ชายเอ่ยมาอย่างเป็นงานเป็นการส่งกล่องกระสุนให้หล่อนดาลินัวระเบาๆบอกว่าน้อยแกงพูดไปงั้นเองแหละพี่ใหญ่กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะขอเปลี่ยนปืนตั้งใจจะเอาแค่จุด3 006เท่านั้นในคราวนี้จุด3 0 0เอเธอร์บีมันก็ยังใหญ่ไปเสียด้วยซ้ำชัยยันกับพิบตาปลิบๆหันไปมองดูระพินแล้วครางออกมาเป็นงั้นไปนี่แหละนะที่โบราณเ้าว่า น้ำไหลใจหญิงอ่านยากพิลึกก็ไม่ยากถ้าทิ่จะอ่านกันจริงๆดาลินพูดเหนือยเนื่อยไม่ระบุนแน่ชัดว่าเจตนาจะให้มันเข้าไปแทงหัวใจใครแล้วพินเดินผ่าออกไปจากเต็นท์ของนายจ้างเงียบๆจัดการอร่อยเฟินแฝดของดาลินพร้อมทั้งกระสุนทั้งกล่องให้บุญคําแล้วมอบจุด37มห้าของเขาที่เคยให้บุญคําประจํามืออยู่ก่อนไปให้ในายเมย์หัวหน้าลูกหาบสั่งการตรวจตาดูแลความเรียบร้อยรอบบริเวณแคมป์อีกครู่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 ที่ทำให้ตาหลับไม่ลงในขณะนี้นับวันนานไปมันก็ยิ่งเพิ่มพูนไปด้วยปัญหาหนักหัวใจลึกลับและหน้าพร่านเสียยิ่งกว่าคุณขาวภัาซวะอันเป็นจุดหมายปลายทางมืดมนเบื้องหน้าและพินไพยวันถอนใจออกมาโดยไม่รู้สึกตัวดีดก้นบุรีแดงวูบเข้าไปตกที่ซอกขวดหินใกล้ๆแล้วปิดตาลงเอาหมวกคอบหน้าไว้สะกดใจพยายามจะหลับให้ได้ตามปกติอันเคยชินของเขา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 แลเห็นสว่างโพนในชุดเสื้อขนสัตว์สีขาวตัดกับผมสยายดำสนิทที่ปล่อยเคลียร์อยู่กับไหลเสื้อคลุมตัวงามนั้นนายจ้างสาวของเขากับคนใช้ชาวดงทั้งสองกำลังยืนพูดลักษณะเหมือนจะหาหรืออะไรกันเบาๆรพินนอนหลี่ตามองดูภาพนะั้นเงียบๆแต่แล้วก็ต้องลุกขึ้นและเดินตรงเข้าไปโดยเร็วเมื่เห็นนายสาวกับบ่าวร่างยักษ์ผู้นั้นพากันเดินบ่ายหน้าไปที่โคนต้นไซใหญ่ ทำท่าจะรั้ำนอกเขตกองไฟที่ก่อไว้ลักษณะของหญิงสาวยังเดินกระเพกไม่ถนัดนักเพราะความแพลงของข้อเท้าหล่อนเกาะแขนแง่ทรายไว้เป็นหลักเขาโดยสกัดหน้ามาทันก่อนที่ทั้งสองจะพ้นแนวกองไฟออกไปทั้งคู่หยุดชะงักเมื่อมองเห็นผานใหญ่จะไปไหนกันไม่ทราบเสียงของรพินห้าห้วนผู้คุ้มกันแสนจะน่ากลัวของเร า, าอีกแล้วดาลินหันไปพูดเบาๆกับแง่ทรา ย, ายผู้ยืนเงียบสงบอยู่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 หล่อนพูดเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ความหมายบริภารวาจาที่อ่อนหวานไพเราะมันไม่ได้สแสดงถึงความเจริญของบุคคลเสมอไปหรอกว่าแต่คุณหญิงยังไม่ได้ตอบผมเลยจะไปไหนขอรับกับผมถือกวดเล่ากับทูบมาด้วยฉันจะมาแก้บนดาลินผู้ท่วนๆแล้วหินลืมตาโตจ้องหน้าหล่อนและวแทบจะหัวเราะคลาดออกมาดังๆแต่สะกดกั้นไว้แก้บนใช่นึกยังไงขึ้นมานี่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 เพราะฉะนั้นฉันต้องมาแก้เองระหว่างที่เขาพูดอยู่กับรอนแง่สายก็ขยุ่ยเรียงถอยกลับไปยังบริเวณนหน้ากระจมพักตามเดิมโดยปล่อยให้หนายจ้างสาวให้ยืนอยู่กับพรานใหญ่ตามลําพังแล้วพิงหัวร้อกึกๆยื่ในลําคอหญิงสาวจ้องหน้าเขายังเฉียวีวแว๊บเบาๆว่าหัวร้ออะไรเปล่าหรอกครับผมเพียงจะแปลกใจในข้อที่ว่าแพทย์หญิงนักวิทยาศาสตร์รู้จักบนบานสารกล่าวเป็นเหมือนกัน ไม่หนำซ้ำอย่างอุตส่าห์แก้ตามที่บ่นไว้เสียด้วยว่าแต่คุณหญิงจะไม่บอกให้ผมทราบหน่อยหรือครับว่าคุณหญิงบ่นอะไรกับใครไว้ดาลินครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งหน้าแดงออกกระดาษพูดเสียงคุณคุณทําไมนักวิทยาศาสตร์บ่นหรือแก้บ่นไม่ได้เหรอฉันก็บอกคุณไปแล้วตอนที่หลวงป่าอยู่ด้วยกันฉันบ่นเจ้าป่าคอยพบพวกเราพร้อมหน้ากันครบหมดทุกคนโดยไม่มีใครขาดหายไปแล้วก็ได้พบจริงๆบนสกอตตวิควดหนึ่ง ความจริงฉันนอนจะหลับอยู่แล้วเคลิมคล้มๆไปเห็นตาแก่หนวดยาวนุ่งขาวห่วมขาวคนหนึ่งมายืนทวงเล่าฉันสะดุง้งลุ้มตาตื่นขึ้นมาแกก็หายไปเสียแล้วเลยนึกขึ้นมาได้ว่าบนบานเจ้าป่าไว้ก็เลยรีบลุกขึ้นมาแก้บนดนี้แหละชวนแงซ า, ายออกมาเป็นเพื่อนกล่าวจบหล่อนก็หันไปทางเบื้องหลังแล้วร้องออกมาเบาๆอ้าวแงทร า, ายหายไปไหนเสียแล้วโน่นนะครับไปโน่นแล้ว หมอไม่ชอบหน้าผมนักหรอกเห็นผมเดินเข้ามาก็เลยหลีกไปโน่นม่ใช่เขาไม่ชอบหน้าคุณหรอกคุณตาหากไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาก็รู้ตัวหล่อนว่าระบินยักษไหลไม่สนใจกับถ้อยคำประโยคนั้นของหล่อนบอกยิ้มยิ้มมาว่าจริงสิผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าคุณหญิงบนเอาไว้เมื่อคราวหลงป่าเอาเลยครับจะแก้บนก็เชิญตามสบายแต่ไม่ต้องออกไปไกลนักหรอกที่จอมปลวกนั่นก็ได้ ดารินหมุนซ้ายหมุนขวาเก้กลางอยู่ครู่ก็หันมาสบตาเขายิ้มแห้งแรงบอกอ่อยว่าฉันแก้บนไม่เป็นนี่เกิดมาก็ไม่เคยบนอะไรสักทีเขามีวิธีทํากันยังไงนะช่วยบอกหน่อยสิเธอพีนกัดริมฝีปากหัวเราะตัวเขย่าวอยู่เช่นนั้นพอหล่อนบอกกึ่งขอร้องมาอีกครั้งก็คว้าขวดเหล้าในมือของหล่อนไปเปิดจุกออกแล้วเอาไปตั้งไว้ที่โคนจอมปลวกเอาละจุดทูกบอกกล่าวสิครับ และเอาทูปไปปากไว้ตรงใกล้ๆกับขวดเหล้านั่นแพ้สาวคนสวยอึกอักสีหน้าปั้นยากอยู่เช่นนั้นกะอักกะอวนอยู่คู่หนึ่งก็แกะห่อทูปออกแล้วพินยืนมองดูด้วยสายตายิ้มยิ้มพยักหน้าเตือนมาหล่อนถอนใจอีกครั้งคว้าทูปขึ้นมาสามดอกขีดไร้เตอร์ขึ้นจะต่อกับปลายทูปแต่แล้วก็ชะงักทำหน้าตื่นเมื่อเขาท้วงมาปนหัวเราะว่าเดี๋ยวคุณหญิงทาไม ทูบสามดอกนะ่ะหมายถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาสำหรับไว้ให้ไหว้พระไหว้เจ้าหรือไหว้พูดวิญญาณเขาไม่ได้จุดสามดอกกระหรอกหญิงสาวหน้าแดงหัวเราะอย่างกระด่างอายไม่ศบตาเขาพูดอุบอิบว่าฉันไม่รู้นี่ไม่เคยไหว้เจ้าไหว้ผีสักทีเคยแต่ไหว้พระแล้วนี่จะให้จุดกี่ดอกล่ะช่วยบอกหน่อยสิเฮ่อลำบากเหลือเกิน เมื่อนักวิยวาศาสตร์จะทำพิธีสักการะพูดผีวิญญาณเสียดายที่ไอแหวงหยียบกล้องถ่ายรูปป่นไปเสี็จแล้วไม่งั้นจะขอบันทึกภาพนี้ไว้เป็นเกียตรติประวัติสักหน่อยพูดมาอยู่นั่นแหละโมโหมีมาลายไรแล้วนะก็บอกอยู่นี่ว่าไม่เคยมาก่อนยังจะมาเน็บแนมหยุดได้ระหว่างคุณกับฉันนี่ญาติดีกันไม่ได้นานเลยบอกมาสิจะให้จุดกี่ดอกรอ น, น้างอแต่แล้วก็อดทเราะออกมาไม่ได้อีก แล้วพีนควักบุหรี่ออกมาจุดสูบมองดูราชสกุลสาวผูว้อยู่ในฐานะนายจ้าด้วยแววตาแจ่มใสดอกเดียวเจดดอกหรือส5ห้าดอกก็สุดแล้วแต่ถนัดแต่ไม่ควรจะเป็นสมดอกอันเป็นความหมายเดียวกับการไหว้พระถ้างั้นก็เอาเสีย1สห้าดอกเลยดารินพูดปนหัวเราะนับทูปได้ส5ห้าดอกแล้วจุดจนติดไฟทั่วกันทุกดอกส่งควันกลุน่นแล้วหันมาทางเขาอีก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 สีหน้าของหล่อนสดใสแช่มชื่นขึ้นเต็มไปด้วยกำลังใจเสร็จพิธีง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะหรือในพานจะให้ทำให้เสร็จง่ายๆมันก็ง่ายจะทำให้ยากมันก็ยากผลมันก็ไอเท่ากันนั่นแหละคือเราปลอดโปรง่งสบายใจภายหลังจะแก้บนแล้วเป็นอันว่าเหล้าขวดนั้นเส้นเจ้าป่าแล้วก็ทิ้งไปเลยหล่อนถามซื่อๆแล้วผิดซ่อนยิ้มไม่ต้องห่วงว่าจะต้องทิ้งหรอกครับน้าเหล้าน่ามหมดแน่ๆ ถ้าจะทิ้งก็ทิ้งแค่ขวดเท่านั้นดาลินลืมตาโตฮ่เจ้าป่ามาเสวยเหล้าได้จริงๆเหรืออ้าวไม่เชื่อว่าเจ้าป่าจะเสวยเล่าของคุณหญิงได้จริงๆแล้วคุณหญิงเอาเล่ามาเส้นให้เสียเวลาเปืองของทําไมรับผินพูดขึงขังราชสกุลสาวหน้าตื่นจ้องเขาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อเครึ่งอยู่เช่นนั้นพูดอ่อยๆบ้าอย่าโกหกกันนะเห็นว่าไม่รู้เรื่องเลยหลอกใหญ่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 ถ้ามันเป็นความจริงฉันจะคอยเฝ้าดูอยู่นี่แหละขอรับรองว่าถ้าอยากดูจริงเป็นได้เห็นแน่ๆร้อยทูบไหมหมดซะก่อนเถอะระหว่างที่ทูบกำลังติดไฟอยู่นี่เจ้าป่ากำลังเสวยเหล้าขวดนั้นอยู่ด้วยยานทิพย์พอทูบหมดแล้วลูกช้างบริวารก็จะเสวยต่อไปฉันไม่เห็นวีแวร์ลูกช้างที่ไหนสักตัวจะโผล่ออกมากินเหล้าก็ลูกช้างตัวที่ยืนอยู่นี่ยังไงละ่ะ แล้วผีนชี้ไปที่อกตัวเองบอกมาหน้าตาเฉยแล้วเขาก็ต้องร้องออกมาเบาๆงอตัวลงกลุ่มอกไว้เพราะกำปั้นหนักๆของนักมนุษย์วิทยาคนสวยที่ถูกมนุษย์หลอกได้อย่างสนิทซัดตุกมาให้กลางอกอย่างถนัดทนีพร้อมกับเสียงแว๊ดลั่นบ้านี่แน่หลอกให้ถามเสียเป็นคุ้งเป็นแควจะแร่รแสนก น, นักยิ่งกว่าไอ้ ก, กุดเลแหว่งเสียอีกพร้อมกันหล่อนก็ผ่าวิ่งจะบ่ายหน้ากลับไปยังกระโจม แต่กระเพกไปได้เพียงสองก็เสถราเสียหลักล้มฟาดลงพิศตานั้นเองก่อนที่ร่างงามจะสัมผัสลงไปกับแงห่หินที่งออยู่ตะปุ่มตะปาตามพื้นทั่วไปก็ถูกอ้อมแขนแข็งแรงช้อนอุ้มลอยขึ้นทั้งตัวตาต่อต า, ตาพบกันในระยะห่างเพียงชั่วคืบแผงอกนั้นอบอุ่นและอ้อมแขนก็กำยำมั่นคงกายของหญิงสาวสั่นสะเทือนนี่แหละ โทษฐานประทุษร้ายต่อลูกช้างของเจ้าป่าถึงได้หกล้มอีกครั้งถ้าฟาดพื้นเมื่อกี้นี้ก็มีหวังต้องเข้าเฟือกไม้ไผ่แน่ๆเป็นไม่ต้องเดินกันอีกละเสียงกระซิบแผ่วตามแววมากระทบโสดของหล่อนดารินใบหน้ากลายเป็นสีกุราบเลือดฉีดพู่ไปทั่วร่างปล่อยฉันหางเสียงของหล่อนแตกพิ้วอย่าลำบากเดินกระเพกไปเองดีกว่าข้อเท้าคุณหญิงยังไม่เรียบร้อยนักหรอก พรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินไหวไหมผมจะไปส่งให้ที่หน้ากระโจมบอกว่าให้ปล่อยฉันแง่าสายนั่งอยู่นั่นไม่เห็นเลอร่อนกระซิบร้อนรนพยายามจะดิน้นแต่วงแขนคู่นั้นหนาแน่นราวกับปลอกเหล็กแง่าสายนั่งอยู่นั่นแล้วจะทำไมเขาจะคิดยังไงก็คิดว่าพานำทางผู้ทั้งโง่และทั้งเง่าเหมือนกับเต่าบวกกับตุน่นกำลังรับใช้ในายจ้างสาวแสนสวยคนนี้อยู่น่ะสิ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 คุณหญิงเป็นฝ่ายชนะหมดทุกประตูถึงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าผมคิดจะรองดีเอาชนะคุณหญิงผมก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้เสียว่าคุณหญิงเจ็บปวดทรมานอยู่แค่ไหนปล่อยให้คุณหญิงมานะเดินขเเยกกลับไปที่เต็นต์เองซึ่งพอไปถึงคุณหญิงก็อาจลุกไม่ขึ้นอีกเลยก็ได้ดารินดกตากกระชากเสียงมาก็แล้วทำไมไม่ปล่อยฉันไปก็เพราะยอมแพ้น่ะสิ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 ดวงตาแวววาประหลาดของหล่อนจ้องมาอ่านความหมายไม่ออกว่าเป็นการขอร้องหรือท้าทายคุณหญิงพอขย eng เ, เข้าไปเองได้ระยะแค่นี้เองผมมาส่งให้จนถึงนี่แล้วไม่ไปส่งให้ถึงเตียงผมขอขัดข้องว่าแล้วเขาก็ขยับจะวางหล่อนอีกครั้งแต่ดาลินเขยุ่มไหล่ไว้แน่นมาลองดูกันไม่ว่าใครจะชนะบอกมาจะไปส่งตามคําสั่งหรือไม่ เห็นจะไม่หรอกครับถ้าคุณวางฉันลงตรงนี้ดาลินกระซิบช้าๆแต่เน้นเสียงชัดเจนเอียงหน้าเริ่มคิ้วยิ้มๆฉันจะร้องให้สุดเสียงเชียวกล่าวหาว่าคุณบังอาจรวนรามฉันพี่ใหญ่กับชายยานก็จะตื่นขึ้นและโผล่ออกมาจะให้รองดูไหมคุณหญิงเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามคำสั่งเส ด, ด็จดีฉันต้องการชัยชนะที่ได้จากการต่อสู้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 มาส่งทำไมเพียงแค่หน้าเต็นเมื่อจะส่งแล้วต้องส่งให้ถึงเตียงเอาละฉันจะนับหนึ่งถึงสามถ้าคุณยังไม่เข้าไปส่งจนถึงที่ฉันจะร้องระวังนะหนึ่งคุณชายกับคุณชา ย, ยันอาจยังไม่หลับและเห็นเมรูสองพระพินภัยวันไม่เคยพลังผ้าเสียเชิงให้แกเสือสมิงตัวใดไม่ว่าจะร้ายกาะเพียงไหน แต่บัดนี้เขาจนปัญญาหมดท่าเสียแล้วสำหรับน้องสาวคนสวยของนายจ้างโดยคำขู่ชนิดนี้เขาไม่อาจหารพอที่จะเสี่ยงอย่างจำนวนระผินอุ้มร่างของหลอนเดินผ่านประตูกระโจมเข้าไปด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกโล่งอกเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นแช่ทากับชายยันรับสนิทส่งเสียงกลนอยู่เบาๆภายในสว่างรางๆด้วยแสงตะเกียงรั้วที่แขวนไว้ตรงกลางเสา